สาวันแรกของชีวิตแต่งงานพลอยไม่ได้ไปไหนเลยนอกจากไปที่บ้านคลองบางหลวงไปพร้อมกับคุณเพลมเพื่อนําผ้าไปไหว้กระดูกบรรพบุรุษในห้องพระที่ตึกเจ้าคุณพ่อแล้วก็ไหว้เจ้าคุณพ่อเจ้าคุณพ่อรับไหว้ด้วยนรีกาพกสําหรับคุณเพลมแล้วก็แหวนอีกวงหนึ่งสําหรับพรอยคุณอุ่นออกมานั่งคอยรับไหว้อยู่ข้างหลังเจ้าคุณพ่อด้วยสีหน้าให้ปกติ ซึ่งพลอยมาทราบทีหลังว่าเจ้าคุณพ่อบังคับให้ออกมาแล้วก็จำใจรับไหว้พลอยด้วยแหวนปลอกมีดฝังเพชรซีกเม็ดเล็กๆอย่างเสียไม่ได้หลังจากนั้นแล้วพลอยก็อยู่เงียบๆบนตึกสองคนกับคุณเปรมไม่ได้โผล่หน้าไปไหนะอยู่สามสี่วัน ควารู้สึกอย่างหนึ่งที่ไม่เคยมีก็เกิดขึ้นมาในใจพลอยไม่ยอมรับว่าความรู้สึกนั้นเป็นความรักเพราะไม่เหมือนกับความรักที่เคยมีมาครั้งหนึ่งแต่ความรู้สึกที่เกิดใหม่เป็นของแน่นอนไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหรือหวั่นไหวไปได้นั่นก็คือรู้สึกว่าคุณเปรมนั้นเป็นเจ้าของของตนเป็นหลักที่ตนจะต้องยึดมั่นไว้ในชีวิตนี้ไม่มีวันที่จะพ่าออกได้ นอกจากคุณเปรมจะไม่ต้องการตนอีกต่อไปคนเราที่เกิดมาทุกคนย่อมมีจิตใจแ ต, ตกต่างกันมีใจที่รักความอิสระโดยไม่มีข้อผูกพันกับใครบ้างหรือมิฉะนั้นก็มีใจที่ต้องการจะอยู่กับคนอื่นหรือเป็นของคนอื่นจะอยู่ด้วยตนเองแต่เพียงคนเดียวนั้นไม่ได้พรอยเป็นผู้หญิงทั้งกายและใจโดยสมบูรณ์จึงมีใจอย่างประเภทหลัง เมื่อรู้สึกว่าตนมีเจ้าของก็เกิดความมั่นใจและได้รับความสุขจากความมั่นใจนั้นความรู้สึกว่าตนเป็นของคุณเปรมผิดกับความรู้สึกที่พลอยเคยมีต่อแม่หรือเสด็จเพราะความใกล้ชิดสนิทสนมต่อคนต่างเพศถึงเพียงนี้พลอยไม่เคยมีมาก่อนระยะเวลา3ามสี่วันแรกผ่านไป เหมือนกับความฝันพรอยก็ยังงงงต่อเหตุการณ์และชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไประยะเวลาอีกเจ็ดแปดวันต่อมาพลอยก็ยังไม่มีเวลาที่จะดูฐานะของตนโดยรอบเพราะต้องใช้เวลาระหว่างนั้นขึ้นรถลงเรือไปกับคุณเปรมทุกวันพร้อมด้วยดอกไม้ทุกเทียนเพื่อไปไหว้บรรดายาติผู้ใหญ่ในตระกูล ทั้งทางฝ่ายพลอยและฝ่ายคุณเปรมเองเมื่อตอนเข้าเฝ้าเสด็จเพื่อถวายดอกไม้ทูบเทียนนั้นพลอยเข้าไปคนเดียวมีนางพิษตามหลังเพราะคุณเปรมเข้าไปถึงข้างในไม่ได้คือ ข, ข้างในเนี่ยเข้าไปได้เฉพาะผู้หญิงเนื่องจากเป็นเขตฝ่ายในนะคะเสด็จทรงรับไหว้ด้วยกระดุมอักษรพระ น, นามชุดหนึ่งสําหรับคุณเปรม และประทานเงินแก่ปรอยอีกยี่สิบช่างพร้อมกับรับสั่งว่าข้ารู้แล้วว่าปลอยได้ผัวเป็นเศรษฐีแต่เงินนี้เป็นของข้าให้แก่เจ้าจะได้ใช้เป็นทุนในการทํามาค้าขายข้าได้เงินนี้มาโดยสุจริตไม่ได้ไปคดโกงหรือกดขี่ออกมาจากใครถ้าเจ้าใช้เงินที่ข้าให้เจ้าคราวนี้ด้วยความสุจริตเจ้าก็จะทํามาค้าขึ้น มีทรัพย์สมบัติงอกเงยขึ้นทุกวันสเสด็จรับสั่งถามถึงเรื่องบ้านช่องที่อยู่อีกหลายอย่างแต่พรอยก็ยังไม่สามารถทูลได้โดยละเอียดเพราะตนเองก็ยังไม่มีเวลาที่จะไปดูแลได้ทั่วบ้านหลังจากเฝ้าเสด็จแล้วพลอยก็ถือโอกาสไปไหว้คุณสายซึ่งรับไหว้พรอยด้วยสายสร้อยข้อมืออีกสายหนึ่ง เพื่อนฝูงเก่าๆหลายคนที่ได้พบกันในวันนั้นดีใจและก็ต้อนรับพลอยเป็นการเอกเกเริกและเมื่อได้นั่งจับกลุ่มคุยกันเฉพาะคนที่คุ้นเคยครู่หนึ่งชอยก็ตั้งปัญหาถามเอาต่างๆทำให้พลอยต้องหน้าแดงด้วยความอายหลายครั้งหลายหนและทำให้คนที่ได้ยินต้องหัวเราะกันทุกครั้งไป แต่วันนั้นพลอยก็มีได้อยู่ในวังนานนักต้องรีบกลับเพราะเกรงคุณเปรมจะเข้าใจผิดคิดว่าพลอยอย่างอะไรในวังมากกว่าที่บ้านทุกครั้งที่พลอยเรียกบ้านคุณเปรมว่าบ้านพลอยก็ต้องสะดุดใจเพราะแต่ก่อนเมื่อพูดถึงบ้านพลอยนึกถึงบ้านคลองบางหลวงแต่เดี๋ยวนี้คำว่าบ้านต้องหมายถึงบ้านคลองพ่อยม ซึ่งพลอยอยังไม่รู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของบ้านแม้แต่น้อยความรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของบ้านนั้นและมีหน้าที่ปกครองบ้านสำหรับคุณเปรมทำให้พลอยต้องชงนใจอยู่บ่อยๆระยะเวลาสิบกว่าวันยังไม่ทำให้พลอยชินต่อความรู้สึกเช่นนั้นข้าวของต่างๆที่อยู่ในบ้านก็รู้สึกว่าเป็นข้าวของแล้วก็เป็นคือ คืรู้สึกว่มันมากมายเกินกว่าภาระของตนกุญแจทั้งพวงที่คุณเปรมมอบให้ถือพลอยก็ยังไม่ได้ทดลองไขตู้กำปั่นอะไรดูแม้แต่ใบเดียวเลยว่าในตู้ในกำปั่นนั้นจะมีของอะไรบ้างเมื่อคุณเปรมยื่นพวงกุญแจให้นั้นพลอยถอยตัวออกหา่างโดยไม่ต้องตั้งโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องหลอกคุณเปรมเก็บเอาไว้เองก็แล้วกัน ฉันยังไม่รู้แต่คุณเพรมก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าของทุกอย่างในบ้านนี้เป็นของแม่พลอยทั้งนั้นแม่พลอยไม่ถือกุญแจใครจะเป็นคนถือช่วยเอาไปเสียทีเถิดฉันต้องถือกุญแจมาเองตั้งแต่คุณแม่เสียรำคาญเต็มทนแล้ววันหลังว่างๆฉันจะบอกให้ ว่าอะไรอยู่ที่ไหนก็เป็นธรรมเนียมมังคะที่ให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นคนดูแลทรัพสมบัติเป็นคนถือกุญแจคนในบ้านคุณเปรมก็มีเยอะแยะมากมายพลอยก็ยังไม่รู้จักทั่วบางครั้งที่พลอยเห็นก้มตัวเมื่อเดินผ่านพลอยก็ต้องเลียวไปดูว่าเอ๊ะมีผู้ใหญ่ที่ไหนมายืนข้างหลังหรือเปล่า โดยที่ตนไม่ทันเห็นเมื่อเห็นว่าไม่มีใครก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก้มให้แก่พลอยนั่นแหละในฐานะเจ้าของบ้านและก็เป็นนายแม่นุยก็แนะนำให้รู้จักกับคนในบ้านว่าใครเป็นใครแต่ก็ไม่ได้แนะนำอะไรเกินไปกว่านั้นในตอนแรกถ้าพลอยต้องการสิ่งใดพลอยก็ใช้ให้นางพิษไปบอกคนอื่นอีกต่อนหนึ่งแต่พอหลายวันเข้านางพิษก็ยื่นคาขาด คุณพลอยคุณโตจนมีเรือนแล้วคนที่หนีก็บ่าวของคุณทั้งนั้นทำไมคุณไม่ใช้เขาเองถ้าให้บ่าวไปใช้เขาอีกต่อหนึ่งเขารวมกันตบบ่าวตายไปคุณจะทำอย่างไรคำพูดของนางพิษก็ทำให้พลอยได้คิดแล้วค่ะและก็เริ่มทาความรู้จักกับคนในบ้านมากขึ้นกว่าแต่แรกบ้านคลองพ่อยมหรือบ้านของพลอยเป็นบ้านใหญ่เนื้อที่ตั้งสิบกว่าไร่นะคะ ในบ้านนอกจากตัวตึกแล้วก็ยังมีเรือนบริวาปรปลูกอยู่หลายหลังนอกจากเรือนคุณนุ้ยกับคุณเนียนซึ่งใหญ่ที่สุดแล้วยังมีเรือนเล็กๆน้อยๆปลูกอยู่ในบริเวณหลังบ้านอีกมากมีคนอาศัยอยู่หลายครัวเรือนซึ่งถ้าจะรวมคนทั้งบ้านก็เห็นจะได้จํานวน50เิเศษเยอะมากเลยคะ่ะ คนเหล่านี้เนี่ยคุณเปรมบอกว่าเป็นคนเก่าแก่อยู่มาตั้งแต่ครั้งเจ้าคุณพ่อบางครอบครัวก็อยู่มาครั้งเจ้าสัวผู้เป็นเตียเจ้าคุณพ่อผู้ซึ่งคุณเปรมเรียกว่ากง๋งมีรูปใหญ่ติดอยู่บนตึกเป็นจีนควันหางเปียบริบูรณ์ทีเดียว คุณเปรมเองก็ยอมรับกับพลอยว่าคนในบ้านทุกวันนี้สำหรับเด็กๆบางคนคุณเปรมเองก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่าเป็นใครคือไม่รู้ว่าเป็นลูกใครแต่เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเลี้ยงกันไปคนที่อยู่ในบ้านบางครัวก็เปิเข้าสารและของแห้งไปหุงต้มเลี้ยงกันบางคนก็รับอาหารจากครัวซึ่งต้องหุงข้าวกระทะ คนในบ้านคนแรกที่พลอยรู้จักก็คือหัวหน้าคนครัวชื่อใหญ่เทียบใหญ่เทียบเป็นคนแก่อายุห้าสิบกว่ากินหมากทั้งวันไม่ขาดปากเวลาอยู่ในครัวใหญ่เทียบก็จะนุ่งผ้าลายเก่าๆผื้นหนึ่งผ้าห่มไม่ต้องพูดถึงกันเวลาที่ใหญ่เทียบจะห่มผ้าคือเวลาขึ้นมนตึกเพื่อรับค่ากับข้าวจากพลอยแต่ถึงกระนั้นใหญ่เทียบก็เอาผ้าถือผ้าถั่วไหล แล้วก็เดินไปจนถึงบันไดตึกจากนั้นจึงจะห่มเหยียเทียบเป็นคนเคร่งครัดมารยาทเวลาที่เวลาที่จะมาหาพลอยก็จะคานมาแต่หัวกระไดจนถึงที่ที่พลอยนั่งเหมือนกับที่พลอยเคยคลานเวลาขึ้นเฝ้าเสด็จพลอยคําน้ําเสียงที่เหยียเทียบพูดกับพลอยก็เป็นผู้ดีน่าฟังแต่ภาษาที่เหยีเทียบใช้ในครัวนั้น ก็จะเป็นภาษาที่พูดไปอีกอย่างหนึ่งคือเป็นภาษาที่พูดกับคนเสมอกันพรอยนั้นรู้สึกเอ็นดูยญยเทียบมาตั้งแต่แรกพบเพราะยญยเทียบทำให้พรอยเข้าใจด้วยถ้อยคำแล้วก็กริยาว่าแกเห็นใจพรอยในฐานะที่เป็นผู้เริ่มปกครองเรือนใหม่ๆหญยเทียบก็พยายามจะบอกพรอยเท่าที่จะทำได้ โดยพยายามจะบอกว่าสิ่งใดควรจ่ายสิ่งใดไม่ควรของอะไรแพงไปหรือว่าถูกไปของอะไรควรจะซื้อในตอนไหนถึงจะถูกและก็ควรจะซื้อเอาไว้มากน้อยเท่าไหร่เวลาพลอยลงไปในครัวเป็นครั้งคราวยายเทียบก็จะถือโอกาสคุยให้ฟังถึงวิธีการเลือกมะพร้าวแล้วก็ส้มสูกลูกไม้ตลอดจนผักปลาแล้วก็ของแห้งต่างๆ นางพิษเองนั้นก็ดูเหมือนว่าจะนิยมเยเทียบอยู่มากเพราะเคยบอกพลอยสั้นๆว่าคนคนนี้ไว้ใจได้เยเทียบเคยบอกกับพลอยว่าคุณพลอยคุณอย่าได้ไว้ใจอีพวกแม่ครัวเป็นอันขาดทีเดียวถ้าคุณเผลอเมื่อไร่มันเป็นโกงคุณเมื่อนั้นพลอยอดหัวเราะไม่ได้เมื่อได้ยินเยเทียบพูดประนามตัวเองนะคะเยะเทียบเห็นพลอยหัวเราะก็พูดต่อไปว่า อีชันเองอยู่กับท่านที่นี่มาตั้งแต่สาวจนแก่มันก็ไปอีกเรื่องนึงถ้าอีชั้นตายไปแล้วคุณจะลำบากก็เป็นธรรมดาที่บ้านใหญ่ๆหรายจ่ายก็มักจะมีโอกาสรั่วไหลนะคะโดยเฉพาะเรื่องของค่าอาหารการกินทั้งหลายนี่ละค่ะยายเทียบกับพิษนั้นค่อนข้างสนิทสนมกันได้อย่างรวดเร็วนะคะถูกเรียกว่าถูกอัธยาศัยกัน เราเรียกว่านางพิษซึ่งเป็นบ่าวติดตามพลอยมาก็มีความสุขในบ้านหลังนี้ไม่น้อยทีเดียวล่ะค่ะเท่ากับคนในบ้านได้นะคะทีนี้ในอาณาเขตบ้านของคุณเปรมเนี่ยมีเรือนอยู่หลังหนึ่งอยู่หลังบ้านปลูกอยู่ชิดกับโพละเรือนหลังนี้เป็นเรือนที่ปิดอยู่เงียบๆก็จริงนะคะแต่ว่าผ่านไปทีไรก็มีร่องรอยแสดงว่าบนเรือนนั้น มีคนอยู่บางครั้งก็มีเสียงเด็กร้องไห้มาจากเรือนนั้นแต่พลอยก็ยังไม่เคยเห็นหน้าคนที่อยู่บนเรือนนั้นสักทีว่าเป็นใครพลอยเคยถามนางพิษซึ่งนางพิษเนี่ยก็รู้จักผู้คนแบบกว้างขวางอะนะคะรู้จักเร็วกว่าพลอยเพราะว่ารู้จักบรรดาบ่าวไพร่ต่างๆแล้วก็เป็นคนช่างคุยด้วยแต่นางพิษก็เมินหน้าไปอีกทางหนึ่งปฏิเสธบอกว่าไม่รู้อีกครั้งหนึ่ง พอยไปถามคุณนุ้ยแล้วก็คุณเนียนซึ่งเป็นคุณอาของคุณเปรมโดยถามว่าคุณอาคะเรือนหลังนั้นใครอยู่คุณนุ้ยก็ทำเป็นถามว่าเรื่องหลังไหนหลังนั้นไงคะพลอยพูดพังชี้มือยืนยันนะคะว่าอ่ะหลังนั้นนะ่ะปรากฏว่าคุณนุ้ยก็เงียบเงียบไปครู่หนึ่ง แล้วก็พูดโดยไม่ตอบคำถามของพลอยบอกว่าบ้านหลังนี้ใหญ่มากจริงไหมแม่พลอยคนก็อยู่มากอยู่กันมาแต่ไหนไหนกว่ารู้จักกันทั่วก่อนานจริงไหมจริงไหมคุณเนียนซึ่งเป็นอาอีกคนหนึ่งที่เจ็บๆไข่ๆออดๆแอดๆเนี่ยนะคะคุณเนียนนั่งอยู่ด้วยเหลือบตาดูคุณนุ้ยแล้วก็พูดช้าๆว่า ท่านเองก็มัวแต่เจ็บเจ็บไข้ๆไม่ได้ลงจากเรือนเสียนานจนเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าใครอยู่เรือนหลังไหนบ้างถ้าจะให้ดีไม่พลอยถามพ่อเปรมเขาเองดีกว่าเพราะเขาปกครองบ้านมาแต่คุณพี่ตายเดี๋ยวนี้ฉันเ้ารู้จักแต่พวกเด็กๆที่อยู่ในเรือนนี้เท่านั้นหลังจากนั้นนะคะคุณอาหนุ่ยเนี่ยก็รีบเปลี่ยนเรื่องคุยไปเป็นอื่นทันที กิริยาอาการของคุณอานุยกับคุณอานเนียงก็ทําให้พลอยรู้สึกสะดุดว่าเอ๊ะมันคงจะมีอะไรบางอย่างที่พลอยยังไม่รู้แล้วก็เรื่องนี้คงไม่มีใครที่จะอยู่ในฐานะที่จะบอกกับพลอยได้นอกจากคุณเปรมคนเดียวพลอยก็เลยตั้งใจว่าสักวันหนึ่งจะต้องถามเอาความจริงกับคุณเปรมให้ได้นะคะแต่โอกาสก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าคุณเปรมเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่บ้าน คุณเรมมักจะต้องอยู่เวร น, นะคะอยู่เวรในวังเวลาที่คุณเรมกลับมาถึงบ้านก็เป็นหน้าที่ของพลอยที่จะต้องดูแลให้คุณเรมเนี่ยได้พักผ่อนและเรื่องที่ผู้ที่คุยกันส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเรื่องพูดจาเล่นหัวตามปราษาผัวหนุ่มเมียสาวพลอยก็เลยลืมเรื่องที่จะถามไปพักหนึ่งปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปเรื่อยโดยที่บ้านหลังเล็กนั้น คือบ้านเล็กๆหลังนั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นบ้านที่ดูลึกลับในสายตาของพลอยทุกครั้งที่ผ่านไปนับตั้งแต่แต่งงานกันมาพลอยก็สังเกตว่าคุณเปรมนั้นเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนเปิดเผยไม่ปิดบงังแล้วก็เป็นคนที่รักพลอยมาก มีความวิตตกห่วงใยในตัวพลอยอยู่เสมอซึ่งลักษณะต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้พลอยรู้สึกเกรงใจไม่อยากจะกวนใจคุณเพรมด้วยเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะเรื่องผู้คนในบ้านซึ่งพลอยรู้สึกว่าเป็นคนของคุณเปรมที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายและถ้าจะว่าไปพลอยก็เป็นคนนอ ก, ก็เลยไม่ค่อยอยากที่จะไปยุ่งหรือไปก้าวกาย ถึงแม้ว่าพลอยเนี่ยจะอยู่ในฐานะคุณผู้หญิงของบ้านนะคะแต่พลอยก็เป็นคนที่ระวังกิริยาวาจาอยู่เสมอเพื่อม่ให้กระทบกระเทือนน้ำใจคนการปฏิบัติตนของพลอยแบบนี้ก็ทำให้เกิดความเคารพคือตอนแรกๆเนี่ยคนในบ้านก็มองด้วยความสงสัยไม่ไว้ใจแต่เดี๋ยวนี้พลอยสังเกตว่าทุกคนมองดูพลอยด้วยสายตาที่รักและเอ็นดู แสดงความไว้ใจและก็ความเคารพในอัธยาศัยคือพลอยก็เป็นคนที่วางตัวดีทีนี้วันหนึ่งคุณเตมออกจากเวนนะคะออกจากเวนในวังอะคะ่ะมาค้างบ้านพอกินข้าวเย็นแล้วนั่งคุยกันคุณเปรมก็ขอหมากกินอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าในยุคนั้นหนุ่มๆสาวๆนะคะก็กินหมากกันคุณเปรมก็บอกว่า ฉันเห็นจะติดหมากเสียคราวนี้เพราะแม่พลอยนี่เองทำไมล่ะคะแม่พลอยหาหมากน่ากินจริงๆฉันเคยเห็นใครต่อใครกินหมากก็ไม่เคยนึกอยากกินเลยเพียงแต่หมากพลู ก, กับยาใครๆก็หากินกันได้แต่วิธีที่จะทาให้หน่ากินนั้นสิทำไม่ได้ทุกคนแม่พลอยเลือกหน้าหมากก็น่ากินเสียแล้วแล้วก็ยังเจียนเป็นฝอยอย่างนี้ปูนที่ใช้ป้ายพลู ก็หอมกว่าของคนอื่นคุณเปรมถ้าจะเคยกินหมากของใครต่อใครมามากแล้วกระมังพรอยก็พูดยิ้มยิ้มคุณเปรมหัวเราะอย่างอารมณ์ดีก่อนจะบอกว่าก็เคยมามากเหมือนกันแต่ไม่มีใครสู้ของไม่พรอยได้ของบางคนกินแล้วก็จืดไม่มีรสมีชาติของบางคนกินแล้วปูนกัดปาก คนเดียวเข็ดไปจนตายแต่ของแม่พลอยฉันกินไม่เบื่อจึงได้ว่าถ้าจะติดหมากเสียคราวนี้พลอยหัวเราะแล้วก็หลบสายตาคุณเปรมคุณเปรมนี่ก็เป็นคนปากดีปากหวานนะคะพลอยก็เขินเมือนไปมองเสียทางอื่นคุณเปรมลงนอนเอกเนกอย่างสบายมองพลอยอย่างน่ารักแล้วก็เอ็นดูไปทั่วร่าง แม่พลอยนี่แปลกเสียจริงๆสวยไม่จืดเอาเสียเลยฉันเห็นแม่พลอยทีแรกฉันก็เห็นว่าสวยไม่มีใครเท่าได้เห็นอีกผลต่อๆมาก็สวยกว่าผลก่อนทุกครั้งอยู่ด้วยกันมาจนเดี๋ยวนี้ฉันก็ยังเห็นสวยขึ้นทุกวันคุณเตมแล้วก็ปากหวานอย่างนี้เสมอนี่คงจะไม่พูดอย่างนี้แต่กับฉันคนเดียวกระมังพบใคร ก็คงพูดกับเขาอย่างนี้ทั้งนั้นฝีปากคุณมาหาดเล็กแล้วก็ฉันกลัวมานานแล้วเปล่าฉันไม่เคยเยาใครเลยจริงๆนะแม่พลอยฉันดูแม่พลอยไม่เบื่อจริงๆพี่น้องแม่พลอยก็ไม่ใช่ผลคิวริ้วแต่ฉันก็ยังเห็นว่าเปรียบแม่พลอยไม่ได้สักคนแม่พลอยเหมือนใครผู้ใหญ่ท่านว่าฉันเหมือนแม่เออจริงสิ ฉันเคยได้ยินคุณอานุยบอกว่าเคยเห็นแม่ของแม่พลอยตั้งแต่อยู่ในวังด้วยกันเธอบอกว่าสวยจนคนลือทีเดียวแต่พอคุณนุยได้เห็นแม่พลอยครั้งแรกกลับมาเธอก็สรรเสริญไปสามบ้านเจ็ดบ้านว่าแม่พลอยสวยกว่าแม่เป็นไหนไหนเห็นจะไม่จริงหรอกฉันสวยสู้แม่ไม่ได้หรอกเพราะแม่นั้นนอกจากจะสวยด้วยหน้าตารูปร่างแล้วยังช่างพูดช่างคุย ฉลาดเฉลียวทันคนดีกว่าฉันเป็นกองพูดถึงแม่แล้วก็ใจหายไม่ควรอายุสั้นเลยอยู่ป่านนี้ของปลื้มลูกเขยเป็นนักเป็นนายิงได้ลูกเขยช่างประจบปากหวานอย่างคุณเปรมแล้วก็แม่คงรักตายเลยทีเดียวคุณเปรมนอนยิ้มมองดูพลอยอีกครู่หนึ่งก่อนจะถามว่าแม่พลอยรักแม่มากไหม รักมากกว่าอะไรทั้งหมดแม่ตายไปตั้งนานแล้วแต่ฉันก็ยังรู้สึกตัวเหมือนกับว่าแม่ยังอยู่ใกล้ๆคอยคุ้มครองดูแลทุกสุขฉันอยู่เสมอสเสด็จท่านมีพระเดชพระคุณหาที่เปรียบไม่ได้แต่ท่านก็เป็นเจ้าเป็นนายฉันไม่เคยรู้สึกตัวว่าใกล้ชิดต่อท่านเพราะฉันเป็นข้าเจ้าคุณพ่อนั้นถึงจะรักเพียงใดก็จากท่านมาเสียแต่เล็ก แล้วท่านก็เป็นผู้ชายไม่สนิทสนมเหมือนแม่ฉันคิดดูก็แปลกทั้งเสด็จและเจ้าคุณพ่อก็ยังอยู่ทั้งสองคนฉันก็รักท่านมากทั้งสองคนแต่กลับรู้สึกว่าท่านยังห่างไม่ใกล้ชิดเท่ากับแม่ที่ตายไปแล้วหน้าตาท่าทางของแม่จะเป็นอย่างไรฉันยังจําไว้ได้หมดเวลาฝันถึงก็เห็นชัดเจนกว่าคนอื่นถ้าอย่างนี้ไม่ใช่เพราะฉันรักแม่มากที่สุด ฉันก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแม่ของพลอยคงน่ารักมากถ้าท่านยังอยู่ป่านนี้ฉันก็คงจะรักท่านมากเหมือนกันเออฉันอยากถามอะไรแม่พลอยสักอย่างตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาฉันยังไม่เคยถามเลยอย่างฉันนี่แม่พลอยรักสักแค่ไหนพลอยนิ่งอึ้งอยู่นาน ไม่รู้จะตอบปัญหาของคุณเพรมอย่างไรถูกจริงๆถ้าจะตอบไปว่ารักมากคุณเพลมก็คงจะพอใจแต่พลอยก็ไม่อยากจะตอบแบบนั้นคุณเพรมตั้งแต่ฉันเกิดมาเป็นตัวไม่เคยมีใครที่เมตตากรุณาแล้วก็เอาอกเอาใจฉันเท่าคุณเปรมเลยธรรมดาคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องรักกันแต่ฉันไม่ได้รู้จักคุณเปรมเฉยๆอย่างเดียว ฉันยังรู้สึกตัวว่าฉันเป็นลูกหนี้พระเดชพระคุณคุณเตมอีกด้วยแม่พลอยอย่าพูดอย่างนั้นหน่อยเลยฉันไม่สบายใจจริงๆพอได้ยินแม่พลอยพูดว่าเป็นลูกหนี้พระเดชพระคุณฉันเพราะฉันไม่ได้ทําอะไรให้แม่พลอยเลยฉันว่าอย่างแม่พลอยถ้าจะหากันจริงๆจะหาผัวที่ดีกว่าฉันสักร้อยสักพันเท่าก็คงจะได้ฉันเสียอีกจะต้องนึกถึงเรื่องนี้ และต้องทำให้ดีคู่ควรกับแม่พรอยพลอยฝังคุณเปรมแล้วก็เสียวแปรบที่หัวใจเมื่อได้ยินคำพูดของคุณเปรมซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีใครคนหนึ่งได้พูดมาแล้วในทำนองเดียวกันพรอยเคยเชื่อถือในคาพูดเช่นนี้เป็นนักหนาแต่ว่าในที่สุดความเชื่อถือและความหวังก็ต้องทลายลง ชีวิตของพลอยมีได้เป็นไปตามที่คาดหมายไว้แต่ถูกปั้นให้อยู่ในพิมพ์อีกอย่างหนึง่งโดยคนอื่นพลอยเคยฝันว่าจะเริ่มชีวิตกับพี่เนื่องด้วยตัวเปล่าแล้วเริ่มสร้างชีวิตนั้นจนกว่าจะมีทุกอย่างที่สองคนจะพึงปรารถนาในการที่จะทําชีวิตนั้นให้เต็มสมบูรณ์ไม่มีสิ่งใดบกพร่องแต่แล้วพลอยก็ต้องมาเริ่มชีวิตกับคุณเพรม พร้อมด้วยโภคทรัพย์ต่างๆมากมายจนความปรารถนาตามปกติของมนุษย์นั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญอีกต่อไปเชียนหมากที่วางอยู่ตรงหน้าในขณะนี้อาจมีความหมายมากนักนาถ้าพลอยหามาได้กับพี่เนื่องด้วยการอดออมเสียสละแต่เชียนหมากนาคอันเดียวกันนี้กลับไร้ความหมายเพราะคุณเปรมหยิบยื่นมาให้จากในตู้ซึ่งเต็มไปได้วยเครื่องเงินเครื่องทองและเครื่องถม เช่นหมกอันเดียวกันนี้ถูกนำออกมาใช้ในฐานะของเลวควรแก่การใช้ลากถูกประจำวันไม่มีความหมายถึงการร่วมแรงร่วมใจช่วยกันหาช่วยกันอดออมแม้แต่น้อยพลอยได้ยินคำพูดของคุณเปรมแล้วก็นั่งก้มหน้าไม่ได้โต้ตอบว่าอย่างไรคุณเปรมก็นิ่งอยู่อีกครู่หนึ่งก่อนที่จะถามขึ้นอีกว่าแม่พลอย ฉันจะถามอะไรสักอย่างอย่าหาว่าฉันละลาบละล้วงเลยแม่พลอยเคยรักกับใครมาก่อนหรือเปล่าเมื่อก่อนแต่งกับฉันคำถามของคุณเตมตรงกับเรื่องที่พลอยนึกถึงอยู่พอดีราวกับว่าคุณเตมจะรู้ใจหรือมีความสามารถพิเศษมองเข้าไปทะลุถึงใจของพลอยได้พลอยอึกอักจริงๆ ก็ไม่อยากจะพูดเท็นะคะแต่อีกใจหนึ่งก็เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวไม่จำเป็นที่คุณเปรมจะต้องมาร่วมรับรู้ด้วยเพราะว่าถึงรู้ก็คงจะไม่มีประโยชน์อย่างไรเรื่องในอดีตเป็นเรื่องที่พลอยอยากให้ผ่านแล้วก็พ้นไปอยากลืมไม่อยากให้อดีตมีผลสำหรับปัจจุบันและอนาคตพลอยก็เอ๊จะตอบคุณเปรมว่าอย่างไรดี ก็พอดีคุณเปรมพูดขึ้นเองว่าความจริงฉันก็ถามมากไปหน่อยเพราะถึงจะมีใครหรือไม่มีก็เท่ากันฉันก็ยังรักไม่พลอยอยู่นั่นเองคุณเปรมพูดด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่ทำให้พลอยสงสารจับใจก่อนจะรีบตอบคุณเปรมไปว่าคุณเปรมอย่าคิดอะไรให้มากมายไปเลยฉันไม่มีวันจะเห็นใครดีกว่าคุณเปรมไปได้ ขอบใจแม่พลอยเรื่องแล้วไปแล้วบางเรื่องมันก็สำคัญบางเรื่องมันก็ไม่สำคัญสุดแล้วแต่ว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องอะไรอย่างฉันเนี่ยถ้าเผื่อว่าวันหลังแม่พลอยไปรู้เข้าว่าฉันเคยทำชั่วหรือเคยทำอะไรที่แม่พลอยไม่ถูกใจแม่พลอยจะว่ายอย่างไรจะโกรธจะเกลียดฉันมากไหม ด้วยถ้อยคำที่คุณเปรมพูดพรอยอัดนึกไปว่าคุณเปรมตั้งข้อสมมติขึ้นถามเล่นๆแต่ว่าจากน้ำเสียงคุณเปรมถามด้วยน้ำเสียงที่ส่อให้เห็นว่าอยากรู้ใจพรอยจริงๆเหมือนกับว่าคุณเปรมมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะบอกให้พรอยรู้เกี่ยวกับอดีตของตนแต่ยังไม่กล้าบอกจนกว่าคุณเปรมจะรู้ก่อนว่าพรอยนึกอย่างไร จริงๆแล้วเรื่องราวตอนนี้ก็เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจสําหรับอชีวิตคู่ด้วยนะคะชีวิตคู่ที่แต่ละคนเนี่ยอาจจะผ่านหรือว่าอาจจะเคยทําอะไรที่ไม่ดีมาก่อนก็ไม่เชิงไม่ดีล่ะคะ่ะแต่ว่าไม่ดีสําหรับอีกฝ่ายที่จะรู้่อลองฟังดูนะคะว่าตกลงแล้วนี่คุณเปรมมีอะไรพลอยก็ตอบคุณเปรมว่า คุณเพรมเรื่องอะไรที่แล้วไปแล้วก็ควรจะปล่อยให้แล้วกันไปถ้าจะว่ากันไปแล้วคุณเปลมกับฉันเราก็เพิ่งจะมารู้จักกันเมื่อวันแต่งงานสิ่งใดที่คุณเปลมทำไปก่อนนั้นก็ถือเป็นเรื่องของคุณเปลมไม่เกี่ยวกับฉันฉันจะไปถือโกรธหรือว่าเกลียดคุณเปรมอย่างไรได้ถ้าเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปแล้วก็ว่าไม่ถูกเพราะไหนไหน ฉันก็ได้มาอยู่กินกับคุณเพรมแล้วมีเรื่องมีราวอะไรก็ต้องเป็นเรื่องของฉันด้วยแต่เรื่องราวแต่ก่อนฉันไม่ได้เกี่ยวข้องคุณเปรมจะบอกฉันก็ได้ไม่บอกฉันก็ได้คุณเพรมอย่า ก, กังวลไปเลยถ้าเรื่องมันแล้วไปแล้วฉันก็จะไม่ไปเอามาคิดแต่ถ้าเรื่องมันยังคาราคาซังอยู่มีอะไรก็จะได้ช่วยกันคิดอ่านแก้ไขได้จะได้ช่วยกันไป โอโพลอยก็ตอบแบบมีเหตุมีผลเป็นคนดีมากๆนะคะคุณเปรมก็รู้สึกเลื่อมใสแม่พลอยมากแม่พลอยทำไมถึงดีอย่างนี้พลอยก็หัวเราะ อ, อย่างขบคันนะคะแล้วก็นิ่งไม่ตอบแม่พลอยหัวเราะทำไมฉันถามจริงๆไม่ใช่พูดเล่นแม่พลอยอย่าเพิ่งหัวเราะเยาะ ฉันไม่เคยพบใครที่เขาดีอย่างไม่พลอยจริงๆเปล่าฉันไม่ได้หัวเราะเยอะคุณเปรมหรอกแต่คุณเปรมถามฉันแบบนั้นทําให้ฉันนึกถึงใครอีกคนหนึ่งแม่ช้อยที่เคยอยู่กับฉันในวังนะ่ะเขาเคยถามฉันอย่างนั้นเหมือนกันนึกถึงแม่ช้อยทีไรก็อดหัวเราะไม่ได้เพราะแกเป็นคนสนุกคือแม่ช้อยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยถามแม่พลอยว่า ทำไมพลอยเนี่ยถึงเป็นคนดีแบบนี้นะคะถ้าฉันจะบอกอะไรให้รู้แม่พลอยจะโกรธฉันจริงๆนะคุณเปรมกระเถิบเข้ามาใกล้จับมือพลอยไว้พรางมองดูหน้าพลอยเหมือนกับว่าจะขอร้องให้พลอยยืนยันความในใจคนอื่นเ้าเคยทำให้ฉันช้ำใจมาหลายหน ถึงอย่างนั้นฉันยังไม่เคยโกรธใครเลยคุณเปรมก็ไม่ใช่คนรู้จักกันอย่างเดียวกับคนอื่นแต่คุณเพรมเป็นผัวฉันฉันขอบอกเสียเดี๋ยวนี้ให้คุณเปรมไว้ใจฉันเสียทีไม่ว่าคุณเพรมจะทำสิ่งใดทั้งที่แล้วมาและในเบื้องนี้และเบื้องหน้าฉันจะไม่มีวันโกรธหรือว่าเกลียดคุณเพรม คุณเปลมก็บีบมือพลอยเบาๆแม่พลอยแม่พลอยไปทําอย่างไรเข้าก็ไม่รู้คนในบ้านนี้เขารักแม่พลอย ก, กันจนหลงไปทุกคนฉันชักจะหึงเสียแล้วเลยนะคุณเปลมเปลี่ยนเรื่องพูดคุณเพรมเอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้ฉันไม่ได้ทําอะไรสักหน่อยฉันแต่คนในบ้านนี้ฉันยังรู้จักไม่ทั่วเลยรู้จักแต่เย็ดเทียบ คนครัวและเด็กๆที่ขึ้นมาให้ใช้บนตึกอีกสี่ห้าคนเท่านั้นเองเขาพูดกันว่ารักฉันเพราะอยากเอาใจคุณเปรมกระมังเห็นจะไม่ใช่ฉันรู้ดีว่าเขารักแม่พลอยจริงๆเยี่เทียบเป็นอย่างไรบ้างเล่าแกก็ดีกับฉันออกแกสั่งสอนฉันทุกอย่างถ้าไม่ได้แกป่านนี้คุณเปรมคงอดข้าวไปหลายมือ้อ ฉันก็ออกจะรักแกเหมือนกันเพราะแกตรงไปตรงมาไม่เอาเปรียบนั่นสิยาเทียบแกคนเก่าไว้ใจได้อยู่ที่นี่มาแต่เด็กเขาลือกันว่าเมื่อสาวๆแกเป็นเมียน้อยเจ้าคุณพ่อได้ซ้าไปพลอยก็ร้องเสียงหลงทีเดียวว่าคุณเตรมเอาอะไรมาพูดเอา้าแม่พลอยอย่าประมาท เรื่องมันนมนานมาแล้วใครจะรู้ว่าใครเป็นใครเหทียบเมื่อแกสาวๆหน้าตาจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้บางทีเจ้าคุณพ่อท่านอาจจะเผลอไปบ้างก็ได้แล้วเหียบแกรับหรือเปล่าพรอยถามอย่างไม่เชื่อเพราะยังนึกไม่ออกว่าใหยียบเมื่อสาวๆจะเป็นเมียน้อยเจ้าคุณพ่อของคุณเปรมได้ฉันก็เคยถามแกเหมือนกันแกดุฉันใหญ่ ว่าถามนอกเรื่องนอกราวแกบอกว่าแกเป็นข้าของท่านต่างหากท่านใช้แกทำอะไรแกก็ต้องทำแกว่าฉันจะหาเหาไปใส่หัวแกให้ลำบากเปล่าๆแล้วแกหมายความว่าอย่างไรคุณเปรมดาวออกไหมก็ไม่รู้ละแม่พลอยแกพูดของแกกำกวมชอบกนเรื่องนี้พูดยากอยู่ด้วยกันในบ้านใหญ่ๆบางทีก็เป็นไปได้ ไม่ต้องรักต้องใคร่อะไรกันแล้วก็แล้วกันไปใครจะไปรู้แต่ก็น่าเห็นใจยเยี่ยทียบที่แกไม่ถือเอาคาคนลือมาเป็นเรื่องอวดอ้างเลยแกสบายใจของแกแต่เป็นหัวหน้าโรงครัวเท่านั้นและแกก็ทำกับข้าวอร่อยเสียด้วยสรุปว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เรื่องนะแต่ก็เหมือนกับว่าได้คุยคืบหน้ากันไปนิดนึงเหมือนกับคุณเพลมนี่ก็ พูดอะไรแบบเผื่อๆเอาไว้ค่อยๆไปทีละเล็กทีละน้อยทีนี้ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเวลาบ่ายมากละดอกลำดวนที่ปลูกอยู่รอบๆตึกก็ส่งกลิ่นฟุ้งขึ้นมาคุณเปรมลุกขึ้นยืนแล้วก็บอกว่าแม่พลอยลงไปเดินเล่นข้างล่างกันเถอะพลอยก็ลุกขึ้นเดินตามคุณเพรม ลงบันไดตึกไปข้างล่างตามต้นลำดวนมีเด็กๆหลายคนกำลังเก็บดอกอยู่เมื่อคุณเปรมถามว่าจะเก็บไปไหนก็ได้รับคำตอบว่าแม่พิษสั่งให้เก็บไปให้คุณที่บนตึกคืนนี้จะได้กรองมาไล่คำว่าคุณที่บนตึกจริงๆก็คือพลอยนั่นเอง แต่ทุกครั้งที่พลอยได้ยินคำนี้ก็อดอัศจรรย์ใจไม่ได้แล้วก็มักจะนึกว่าหมายถึงคนอื่นที่ใหญ่โตกว่าตนเสมอเพราะว่าตลอดชีวิตของพลอยเคยได้ยินแต่คำว่าเจ้าคุณตำหนักเจ้าคุณประสาทหรือว่าคุณห้องทองซึ่งหมายถึงบุคคลสำคัญในวังในสมัยที่พลอยอยังเป็นข้าหลวงในวังนะคะแต่ว่าเมื่อตัวเองมอถูกเรียกว่าคุณที่บนตึก ด, ด้วย ก็ทําให้นึกคบขันอยู่เสมอแล้วก็นึกในใจว่าจะต้องเก็บไปเล่าให้ช้อยฟังเมื่อมีโอกาสเจอกันช้อยคงจะชอบไม่น้อยแล้วก็คงจะใช้ปฏิพานไหวพริบพูดจาให้พลอยคบขันต่อไปได้อีกมากคือประมาณว่าเดี๋ยวเถอะถ้าเจอกับช้อยก็คงจะต้องเอาเรื่องนี้ไปเล่าไปเมาส์ให้ฟังนะคะคุณเปรมก็เดินคุยกับพลอยอยู่แถวที่ตั้งกระถางไม้ดัดยูนหลายตลกและในที่สุด ก็พาพลอยเดินไปทางหลังบ้านผ่านเรือนของคุณนุ้ยและคุณเนียนตรงไปยังเรือนที่พลอยไม่รู้ว่ามีใครอยู่พอคุณเปรมบ่ายหน้าไปทางนั้นพลอยก็นึกถึงความสงสัยของตัวเองที่นึกจะถามคุณเปรมเอาไว้นานแล้วได้พลอยก็เลยเอ่ยปากถามขึ้นทันทีว่าคุณเปรมคาใครอยู่ที่เรือนนั้นคะ คุณเปรมหันมาดูหน้าพลอยเหมือนกับจะสารวจดูให้รู้ใจพลอยอีกครั้งแล้วก็ตอบอย่างอารมณ์ดีว่าเด็กเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีใครเดี๋ยวก็ได้รู้จักมันน่าเอ็นดูดีเหมือนกันพูดแล้วคุณเพรมก็สาวเท้าเดินเร็วขึ้นแล้วก็มุ่งตรงไปยังเรือนนั้ง พลก็ขึ้นบันไดาตามคุณเปรมขึ้นไปบนเรือนเรือนนั้นเป็นทรงปัญญ้นหยามีนอกชานเล็กๆกั้นรั้วรอบพอขึ้นบันไดพ้นประตูเข้าไปก็เห็นทุกอย่างในเรือนได้ทั่วที่ระเบียงหน้าเรือนมีเปรผูกอยู่เปรหนึ่งมีผู้หญิงแก่ๆอีกคนหนึ่งอุ้มเด็กเล็กๆอายุขวบกว่าๆที่เพิ่งจะสอนเดินอยู่คนหนึ่งเด็กคนนั้นอ้วนขาวหน้าตาหน้าเอ็นดูแล้วก็เป็นเด็กผู้ชาย พอแลเห็นพลอยและคุณเปรมขึ้นบันไดเรือนเข้ามาเด็กคนนั้นก็หัวเราะโบกแขนทั้งสองข้างและพยายามสลัดตัววิ่งเข้ามาหาคุณเปรมปลอยมันเถิดยายแจมให้มันเข้ามาหาคุณคุณเปรมพูดกับคนเลี้ยงเด็ก แล้วก็หันไปพูดกับเด็กคนนั้นว่าไอ้อ้นมานี่เพียงเท่านี้เด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูคนนั้นก็วิ่งโผล่มาที่พลอยและด้วยแขนทั้งสองข้างของเด็กนั้นก็โอบรอบคอของพลอยเอาไว้แน่นเด็กคนนั้นโอบแขนรอบคอพลอยแล้วก็หัวเราะอย่างดีใจ ไม่มีความกลัวความกระดากหรือว่าตรหนีตัวแม้แต่น้อยพลอยกอดเด็กเข้ามาชิดกับตัวรู้สึกอบอุ่นเข้าไปในหัวใจจริงๆพลอยก็เป็นคนรักเด็กอยู่แล้วไม่ว่าเด็กนั้นจะเป็นลูกหลานของใครแต่เมื่อเด็กคนนี้เด็กที่คุณเปรมเรียกว่าไอออนวิ่งตรงเข้ามาหาพลอยอย่างร่าเริง เหมือนกับว่ารู้จักคุ้นเคยกันมานานแล้วก็แสดงความรักต่อพลอยทันทีโดยไม่ต้องมีใครสั่งสอนสัญชตาตญาณความเป็นแม่ที่พลอยมีอยู่เต็มตัวก็เริ่มสําดงอิทธิฤทธิ์พลอยใจเต้นแรงด้วยความรักความเอ็นดูปลื้มใจที่มีเด็กวิ่งเข้ามากอดจนน้ำตาไหลซึมออกมาโดยไม่รู้ตัวคนแก่ที่นั่งอุ้มเด็กอยู่เมื่อกี้มองดูภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า แล้วก็หัวเราะเบาๆบอกว่าดูพ่ออ้นสิพอเห็นคุณคดีใจวิ่งเข้าไปหาเหมือนกับจะรู้ส่วนคุณเตรมก็พูดยิ้มๆว่าไอ้อ้นมันช่างประจบแล้วก็หันไปพยักหน้าเป็นสัญญาณให้คนแก่นั้นเรียกคือคล้ายๆกับเลี่ยงออกไปอยู่ข้างหลังเรือนซะคล้ายกับว่ามีอะไรจะคุยเป็นการส่วนตัว พลอยก็นั่งกอดจูบรูปผมเด็กอยู่อีกพักใหญ่แล้วก็ถามคุณเปรมขึ้นมาเบาๆว่าคุณเปรมเด็กคนนี้น่ารักเหลือเกินพอฉันเห็นหวนแรกก็รักจับใจทีเดียวพลอยหยุดจูบแก้มเด็กอีกทีหนึ่งแล้วก็กลั้นใจถามทั้งที่รู้ว่าเด็กคนนี้รู้ใคร แล้วพลอยก็ถามไปถามคุณเปรมนะคะว่าเด็กคนนี้ลูกใครปรากฏว่าพอถามคำถามนี้ไปแล้วคุณเปรมก็เบือนหน้าไปอีกทางหนึ่งแล้วก็ขยับตัวด้วยความลำบากใจถอนใจใหญ่ก่อนจะบอกว่าแม่พลอยอย่ากโกรธฉันจริงๆนะลูกฉันเองแหละ เพรมก็ตอบแบบอมแอมอึกอักแต่คําตอบของคุณเปรมมีได้ทําให้พลอยต้องสะดุง้งหรือว่าวันไหวแต่อย่างไรเลยเพวกความลึกลับของคนในบ้านนี้ทําให้พลอยนึกสงสารมาตั้งแต่แรกบวกกับคําพูดของคุณเปรมที่พูดเรื่องความหลังต่างๆซึ่งอาจจะไม่ถูกใจพลอยก็ทําให้พลอยรู้ว่าคุณเปรมคงจะมีความลับบางอย่าง ที่อยากจะบอกให้พลอยรู้ขณะนั้นก็นึกหนักใจอยู่บ้างว่าความลับของคุณเปรมที่ตนจะต้องรู้ในที่สุดนั้นจะเปิดเผยออกมาในรูปใดเมื่อเดินขึ้นบันไดเรือนหลังน้อยนี้ขึ้นมาพลอยก็ใจหายว่ารู้ได้ด้วยสัญชตาตญาณว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของคุณเปรมอย่างแน่นอนพลอยตั้งปัญหาถามตนเองว่า ตนควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรกับเด็กคนนี้เพื่อให้ทุกอย่างระหว่างพลอยกับคุณเพรมอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคขณะที่กําลังนึกตอบปัญหาก็พอดีเด็กคนนั้นวิ่งหัวเราะร่าเข้ามากอดพลอยไว้และด้วยหน้าตากิริยาที่น่ารักน่าเอ็นดูเด็กคนนั้นก็ตอบปัญหาต่างๆของพลอยให้เสร็จสิ้นไปโดยที่พลอยไม่ต้องตอบเองเลย คอยรู้ทันทีว่าตนไม่มีทางอื่นใดที่จะเลือกได้เพราะทางที <an S 2> ่จะปฏิบัตินั้นมีอยู่ทางเดียวคือต้องรักเด็กคนนี้เสมือนว่าเป็นลูกของตนคุณเตมทำไมไม่บอกฉันให้ฉันรู้ซะก่อนก็ฉันกลัวแม่พลอยจะโกรธนี่ก็รู้แล้วแม่พลอยโกรธฉันมากไหม โถคุณเปรมคุณเปรมนี่ไม่รู้จักใจฉันจริงๆฉันจะไปโกรธคุณเปรมทําไมฉันเสียใจอยู่หน่อยนึงที่คุณเปรมไม่บอกให้รู้เสียก่อนเท่านั้นทําไมเหรอแม่พลอยคุณเปรมถามอย่างชงนถ้าฉันรู้เสียก่อนฉันก็จะได้เลี้ยงแล้วก็จะได้รักมานานแล้วคุณเปรมมัวแต่ปิดอยู่เลยเสียเวลาไปเป็นกองฉันเสียดายแท้ทีเดียว คุณเปรมเห็นฉันเป็นคนใจไม้ไส้ร ก, กระรกไปได้ลูกคุณเปรมก็เหมือนลูกของฉันใครจะไปเกลียดลงพลอยก้มลงจูบเด็กอีกทีหนึง่งและกระซิบกับเด็กว่าลูกของแม่น่ารักออกอย่างนี้แม่เกลียดแกไม่ลงหรอกแม่พลอยอย่าให้ฉันพูดอะไรอีกเลยฉันพูดอะไรไม่ออกอีกแล้ววันนี้ เหมือนกับมีใครมายกภูเขาออกจากอกตั้งแต่แต่งงานกันมาฉันนอนสะดุ้งอยู่ทุกคืนเดา่าไม่ออกจริงๆว่าถ้าไม่พลอยรู้เรื่องไอออนจะว่าอย่างไรจะบอกแต่แรกฉันก็ยังไม่กล้าเพราะไม่รู้ใจต่อไปนี้ฉันเห็นจะนอนตาหลับกับเขาบ้างละคุณเตรียมหัวเราะ ย, ยังมีความสุขตบมือเรียกเด็กไอออน มาหาพ่อเด็กคนนั้นเลื่อนตัวลงจากตักพลอยแล้วก็วิ่งไปหาคุณเปรมคุณเปรมอุ้มลูกขึ้นกอดจูบด้วยความรักมีพลอยนั่งยิ้มมองดูอยู่อีกทางหนึ่งแต่ในที่สุดพลอยกตอตอ็ต้องตั้งปัญหาที่จาเป็นขึ้นถามคุณเปรมอยากเกรงใจที่สุดคือจำใจแล้วก็จำเป็น เพราะเห็นว่าไหนๆก็พูดกันแล้วก็ควรจะพูดกันถึงเรื่องของเด็กคนนี้เสียให้เสร็จสิ้นไปนั่นก็คือถามเรื่องแม่ของเด็กคนนี้คุณเปรมคุณเปรมอย่าหาว่า ฉันสอดรู้สอดเห็นเลยแล้วแม่ของเด็กคนนี้ล่ะคุณเบรนตอบสวนขึ้นมาอย่างรวดเร็วว่าแม่พรอยอย่าไปนึกถึงมันเลยฉันไม่เคยรักใครอะไรมันเลยเป็นความสัตย์จริงมันเป็นคนอยู่ในบ้านนี้ฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะเลี้ยงดูแต่ไอออนมันเกิดมาฉันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเขาออกจากบ้านไป เมื่อก่อนเราแต่งงานสองสามเดือนนี่เองโท่คุณเพรมทำไมต้องไปพาคลูกพลาคแม่บาปกรรมเปล่ปาๆฉันไม่ได้ไปพาคลูกพลาคแม่เขาหลอกแม่พลอยเขาสมัครใจไปคนเรามันทำบุญไว้แค่ไหนมันก็ได้แค่นั้นหรือจะเกี่ยวกับสันดานของคนฉันก็ไม่รู้แต่แม่ไออน้นเขาออกไปจากบ้านนี้เพราะเขาอยากจะมีผัวใหม่ ฉันก็เลยไม่ห้ามปรามเพราะเลี้ยงไว้ก็รังจะจะก่อความรำคาญก่อนจะไปฉันก็ให้เงินทองตามสมควรเขาสัญญาว่ายกไอออนให้เป็นสิทธิ์เขาจะไม่มาเกี่ยวข้องอีกต่อไปพรอยรับตัวเด็กจากคุณเปรมมากอดไว้กับตัวด้วยความสงสารขณะเดียวกันก็เกิดความรู้สึกว่าเด็กนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ยิ่งขึ้น แล้วคุณเปรมจะทำอย่างไรกับแกต่อไปทำอะไรกับใครกับไอออนนะรึทำอะไรกับใครไอออนนะรึก็เลี้ยงมันไปมันจะเป็นอะไรนักหนา สำคัญอยู่ที่แม่พลอยเท่านั้นถ้าไม่พลอยไม่ว่าก็ไม่เป็นไรไอออนมันเลี้ยงง่ายฉันให้ยายแจ่มคนแก่มิกี้แกเลี้ยงมันอยู่ที่เรือนนี้ก็แล้วกันแม่พลอยไม่ต้องเป็นห่วงรอกคือคุณเปรมก็คงจะคิดว่าพลอยเกรงว่าคุณเปรมเนี่ยจะให้ความสําคัญกับเด็กคนนี้อะไรทํานองนั้นนะคะก็เลยรีบชิงพูดว่าจะให้ยายแจ่มเนี่ยเลี้ยงไว้ที่เรือนนี้ ไม่ได้คือไม่ได้ตั้งใจจะให้ขึ้นไปอยู่ที่ตึกใหญ่ด้วยกันแต่พลอยนั้นคิดอีกแบบหนึ่งพลอยสงสารเด็กเด็กผู้ไม่มีผิดไม่มีบาปเด็กเกิดมาโดยไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทาของผู้ใหญ่พลอยรู้ว่าสิ่งที่เด็กคนนี้ต้องการและก็คงจะต้องการมากที่สุดต่อไปก็คือความรักความรักจากพ่อแม่ ที่ยา่จาคนเลี้ยงเด็กไม่มีจะให้ได้ที่สําคัญพลอยเคยผ่านประสบการณ์ความน้อยเนื้อต่าใจในเรื่องของการแบ่งแยกระหว่างลูกเมียหลวงลูกเมียน้อยที่ยังคงฝังติดอยู่ในหัวใจของพลอยคือพลอยเองก็เป็นเด็กบ้านแตกเป็นเด็กที่พ่อกับแม่แยกทางกันได้มีโอกาสนะคะลิ้มรสอันขมขืน ของการที่ครอบครวัวไม่เป็นสุขพรอยจึงเข้าใจถึงความรู้สึกของการที่จะต้องเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งเป็นเด็กที่ห่วยหาความรักพรอยรู้สึกว่านี่เป็นหน้าที่ที่ตนจะต้องคอยดูมิให้เกิดการแบ่งแยก และความรู้สึกอันขมขื่นนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้อีกอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะกับเด็กน่ารักที่พลอยกำลังอุ้มอยู่หรือกับใครใดๆทั้งสิ้นพลอยก็นั่งหลังเลใจอยู่อีกครู่หนึ่งตัดสินใจว่าจะพูดกับคุณเปรมว่ายังไงดีนะคะในที่สุดพลอยก็เลยตัดสินใจว่าคุณเปรมตั้งแต่ฉันอยู่กับคุณเปรมมา ฉันยังไม่เคยขออะไรคุณเปรมเลยสักครั้งเดียวคราวนี้ฉันขออะไรคุณเปรมสักอย่างหนึ่งจะได้ไหมได้สิแม่พ้อยแม่พลอยอยากได้อะไรฉันให้ได้ทั้งนั้นแม้แต่เดือนตะวันถ้าแม่พ้อยจะเอาฉันก็คงพยายามจะสอยมาให้ถ้าไม่ได้จริงๆฉันก็จนใจคุณเปรมพูดอะไรเป็นเล่นไปหมดฉันขอจริงๆไม่ได้ขอเล่นเล่น ลูกของคุณเปรมตาอ้นคนนี้ฉันขอเป็นลูกฉันได้ไหมเป็นลูกคนใหญ่หรือไม่พรอยไม่ใช่ลูกคนเดียวนะคุณเปรมยิ้มอย่างมีความหมายพลอยหลบตาใบหน้าเริ่มเป็นสีแดงเรือดด้วยความอายลูกคนที่เท่าไหร่ก็ช่างเถอะขอให้เป็นลูกของฉันก็แล้วกันจะให้หรือไม่ให้ พลอยกระฟัดกราเฟียอย่างงอนๆคุณเพรมเปลี่ยนสีหน้าเป็นเอาจริงแล้วก็บอกว่าแม่พลอยถ้าเป็นคนอื่นไม่ใช่ฉันเขาคงจะรีบยกไอโอนให้แม่พลอยเสียแล้วใจฉันเองก็อยากทําอย่างนั้นแต่ฉันบอกตรงๆว่าฉันยังกลิ่นเกรงใจอยู่แม่พลอยอย่นนึกว่าฉันยังสงสัยหรือว่ากินใจในตัวแม่พลอยเลยฉันรู้ใจแม่พลอยดี แม่พลอยดีกับฉันเสียมากมายเหลือเกินแล้วฉันไม่อยากจะให้แม่พลอยต้องทุกข์กังวลต่อไปข้างหน้าไอออนมันเป็นเลือดในโอกของฉันฉันก็ต้องรักแต่ก็ไม่ได้รักมันมากไปกว่าแม่พลอยและฉันรู้ว่าถ้าแม่พลอยเอามันไปเลี้ยงแม่พลอยก็จะต้องรักมันเหมือนลูกในไส้แต่แม่พลอยอย่าลืมว่าไอออนมันไม่ใช่ลูกฉันคนเดียวถ้ามันโตขึ้นมาแล้วเหมือนฉันทุกอย่างฉันจะไม่ขาดเลย แต่แม่ของมันเป็นคนสันดานชั่วฉันรู้ดีถ้ามันเหมือนแม่มันก็จะทำให้แม่พลอยเดือดร้อนในวันข้างหน้าฉันเห็นว่ามันเสี่ยงอยู่มากจึงอยากจะเตือนแม่พลอยไป้ก่อนคุณเพรมคุณเปรมอย่าคิดให้มากถึงเพียงนั้นเลยบางทีคุณเพรมอาจจะยังไม่ไว้ใจชนั ก, ก็ได้ตาอ้น แกเป็นลูกของคุณเปรมครึ่งหนึ่งเท่ากับมีทุนดีอยู่แล้วอีกครึ่งหนึ่งเราก็ต้องอบรมเอาเองฉันก็รู้ว่ามันเสี่ยงแต่คนเราทําอะไรก็มีเสี่ยงอยู่เสมอจะเปรียบไปก็เหมือนการเล่นพนันเมียคนอื่นเขาเล่นหวยก็มีเล่นไพ่ก็มีบางคนถึงกับเล่นถั่วโปของเหล่านี้ฉันไม่เล่นเพราะฉันเล่นอะไรก็ไม่เป็นแต่ต่อไป ฉันอยากจะขอเล่นการพนันสักอย่างหนึ่งคือเล่นเลี้ยงตาอ้อนนี่แหละคุณเปรมอย่าขัดใจฉันเลยนะคุณเปรมหัวเราะแล้วก็ถามพลอยด้วยความฉงนสงสัยว่าฉันจะเป็นเย้ช้อยอีกคนหนึ่งแล้วขอถามอีกทีเธอว่าแม่พลอยทำไมถึงได้ดีอย่างนี้คราวนี้ไม่เกี่ยวกับความดีความชั่วหรอกคุณเบรม ที่ฉันอยากได้ตะอน้นเพราะฉันนึกรักแกนึกรักตั้งแต่แรกเห็นอีกอย่างฉันไม่อยากให้ตะอนต้นโตขึ้นในบ้านอย่างไม่มีพ่อไม่มีแม่ถ้าแกจะอยู่ด้วยกันกับฉันในบ้านนี้ต่อไปฉันก็อยากจะให้แกรักฉันมากกว่าไม่ใช่เพราะฉันเป็นคนดีหรือชอบทำดีอย่างที่คุณเปรมนึกหรอกถ้าจะว่าไปก็เพราะว่าฉันอยากจะสบายใจเท่านั้นเอง ฉันเคยเป็นเด็กอยู่ที่บ้านคลองหลวงเคยรู้มาแล้วเรื่องอย่างนี้แต่เรื่องมันยาวคุณเพรมอย่าเพิ่งให้ฉันเล่าเลยเอาเป็นว่าตอนนี้ขอตาอ้อนให้ฉันก็แล้วกันพรอยพูดแล้วก็ก้มลงจูบตาอ้อนอีกขวหนึ่งฝ่ายตาอ้อนก็เป็นเด็กรู้อยู่นั่งเล่นกับมือของตนเองอยู่บนตักพรอยไม่พยายามดิ้นรนจะไปซุกซนที่ไหนก็ตามใจแม่พรอย แต่อย่าลืมว่าฉันเตือนเอาไว้แต่แรกแล้วฉันก็ได้แต่ภาวนาให้ไอิออนมันโตขึ้นไม่เหมือนแม่ของมันเท่านั้นเองคุณเปรมตะกวนเรียกยายแจ่มพอยายแจ่มโผล่ออกมาจากหลังเรือนคุณเปรมก็บอกให้อุ้มตาอน้นตามขึ้นไปบนตึกไม่ต้องรอกคุณเปรมเด็กตัวเท่านี้ฉันอุ้มเองก็ไหวพรอยยิ้มยังมีความสุขและนับแต่วันนั้นมาตาอน้น ก็ขึ้นมาอยู่กับพลอยที่บนตึกโดยมีพลอยเป็นผู้ฟูมฟักเลี้ยงดูเสียเองส่วนเด ย, ย์แจมที่เคยเลี้ยงตะอ้นมาก่อนนั้นก็ถูกลดตำแหน่งลงไปเป็นเพียงผู้ช่วยและตะอ้นก็เริ่มติดพลอยตั้งแต่เวลานั้นมาตามความรู้สึกของพลอยพลอยไม่ได้มองเหมือนอย่างที่คุณเปรมมอง คุณเปรมและก็คนอื่นๆอาจจะมองว่าพลอยเป็นคนดีพลอยเป็นผู้ให้แต่พลอยกลับมองว่าตาอ้นต่างหากที่เป็นผู้ให้เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่พลอยมากมายหลายอย่างพลอยต่างหากที่ได้รับประโยชน์จากตาอ้นนั่นก็คือประการแรกตาอ้นเป็นเครื่องมือสําคัญที่เชื่อมให้พลอยสนิทสนมคุ้นเคยกับคุณเปรมได้มากขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว คือเมื่อแรกแต่งงานและในระยะเวลาต่อมาพลอยรู้สึกตัวว่าพลอยมีหน้าที่ที่จะต้องสนิทสนมคุ้นเคยกับคุณเปรมให้มากที่สุดและก็เร็วที่สุดแต่ทางที่มีความรู้สึกเช่นนั้นพลอยก็เห็นว่าตนยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นได้สมบูรณ์เพราะยังรู้สึกมีเวลากระดากอายมีความเกรงใจมีเวลาที่เห็นคุณเปรมเป็นคนอื่น แต่ว่าตั้งแต่ตาอ้นมาอยู่ด้วยตาอ้นก็กลายเป็นของกลางระหว่างพลอยและคุณเปรมเป็นเครื่องชักนำทำให้คนสองคนเข้าถึงกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนจนพลอยสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ต่อหน้าคุณเปรมซึ่งแต่ก่อนนี้พลอยไม่กล้าทาเพราะยังเห็นว่าคุณเปรมเป็นอื่นนี่คือประโยชน์ประการแรกของตาอ้นนะคะเหมือนกับว่าสองคนเนี่ยมีตาอ้น เป็นตัวเชื่อมเป็นกาวใจประการที่สองตั้งแต่ตาอ้นมาเป็นกรรมสิทธิ์ของพลอยทำให้พลอยรู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นการที่ต้องเลี้ยงดูแลแล้วก็อบรมเด็กได้เพิ่มความหนักแน่นให้แก่พลอยทำให้เกิดความแน่ใจในตัวเองฉะนั้นจะสั่งการสิ่งใดในบ้านตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ของแม่บ้านในการปกครองคน พลอยก็กระทำโดยมีน้ำหนักกว่าแต่ก่อนเพราะไม่เห็นว่าตนเองเป็นเด็กกว่าคนอื่นอีกต่อไปคนทั้งบ้านเริ่มเคารพยำเกรงและเชื่อฟังคำพูดของพลอยโดยที่ไม่ต้องมาตตยถามแม้แต่นังพิษเองก็ยังปรารบว่าเดี๋ยวนี้พลอยเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวทีเดียวคุณพลอยเดี๋ยวนี้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวทีเดียวฉันเองกลับเป็นเด็กลงไปทุกวัน ชักจะกลัวๆคุณพลอยเสียแล้วแต่ น, นี่ก็จริงนะคะผู้หญิงนั้นถ้ากลายเป็นแม่ปุ๊บความเป็นผู้ใหญ่นี่ก็จะมาทันทีโดยอัตโนมัติพลอยยังไม่มีลูกแต่ว่าเมื่อรับตาอ้นเป็นลูกก็เท่ากับว่าพลอยได้กลายเป็นคุณแม่ไปแล้วยังไม่หมดนะคะสำหรับประโยชน์ของตาอน้นคุณประโยชน์ประการที่สามก็คือ ทำให้พลอยเนี่ยเป็นที่นิยมในหมู่ญาติของคุณเปรมคือจริงอยู่ตอนที่พลอยเข้ามาอยู่ในบ้านของคุณเปรมใหม่ๆญาติทุกคนก็ไม่มีใครแสดงความรังเกียจต่างก็แสดงความเมตตาปราณีกับพลอยแต่พลอยก็รู้ตัวว่าตอนแรกๆญาติทุกคนก็ยังถือว่าพลอยเป็นคนนอกเป็นสะพ้ายที่จะต้องดูท่าที แล้วก็นิสัยใจคอกันไปก่อนคือยังไม่วางใจรับเข้าเป็นคนหนึ่งในตระกูลอย่างแท้จริงอ่ะนะคะคือดูภายนอกเนี่ยดีทุกอย่างแต่ว่ายังยังไม่สนิทใจยังไม่รู้จักนิสัยใจคอกันแต่พอมีข่าวเรื่องพลอยรับตาอ้นมาเลี้ยงดูเหมือนหนึ่งตาอ้นเป็นลูกในไส้แพร่ไปในหมู่ญาติทุกคนก็แสดงความนิยมเลื่อมใสในตัวพลอยอย่างเห็นได้ชัด ญาติคุณเปรมทุกคนรับตัวพลอยเป็นคนหนึ่งในพวกพ้องอย่างสนิทเหมือนกับหมดความเครือบแคลงใจไม่มีความจําเป็นที่จะต้องสังเกตดูนิสัยใจคอกันอีกต่อไปกริยาวาจาของบรรดาญาติที่แสดงต่อพลอยนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นกันเองสนิทสนมพลอยจะทําอะไรไม่ถูกคุณนุ้ยก็ดูเอาบ้างอย่างอากับหลานไม่เกรงใจกันอย่างแตก่อนอีกต่อไป และบางครั้งที่พลอยขึ้นไปบนเรือนขณะที่คุณเนียงกำลังนอนอยู่ในห้องคุณเนียนก็ไม่ทรมานกายลุกออกมารับอีกต่อไปแต่เรียกพลอยเข้าไปในห้องแล้วก็ส่งหมอนให้ใบหนึ่งให้พลอยนอนคุยด้วยอย่างญาติแต่คุณประโยชน์ที่พลอยเห็นว่าสำคัญเป็นนักหนาที่พลอยได้รับจากตา อ, อ้นก็คือตา อ, อ้นเป็นเครื่องเล่นเครื่องแก้หงาอย่างชางนัดที่สุด คือเมื่อออกมามีเรือนใหม่ๆพลอยรู้สึกว่าตัวเองเหมือนนกที่เคยอยู่แต่ในกรงถูกนำมาปล่อยป่าโดยกระทันหันคือชีวิตในวังนั้นเป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนดเอาไว้มีมีผู้ใหญ่คอยสั่งว่าควรจะทำอะไรได้บ้างหรือไม่ได้บ้างทุกวันนะคะแต่พอแต่งงานแล้ว การควบคุมต่างๆนั้นก็หมดไปพรอยเป็นอิสระแก่ตัวเต็มที่จะทําอะไรก็ได้ไม่มีใครบังคับเงินทองก็มีใช้สอยบริบูรณ์อยากได้อะไรก็เพียงแต่ออกปากก็จะมีคนหา ม, มาให้ทันทีแต่พรอยกลับรู้สึกเหมือนกับคนหลงทางเหมือนกับคนที่เดินอยู่ในที่กว้างไม่เคยรู้จักไม่รู้จะทาอย่างไรกับอิสรภาพที่ได้มาใหม่ กลับหวนไประ ล, ลึกนึกถึงขอบเขตจํากัดต่างๆที่เคยมีอยู่รอบตัวเมื่ออยู่ในวังและก็อยากได้สิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นเครื่องทรมานบีบคั้นเมื่อครั้งหนึ่งนั้นกลับมาอีกชีวิตที่มีอิสรภาพกลับกลายเป็นชีวิตที่ว้าเวสําหรับพลอยพลอยอยากจะได้ขอบเขตจํากัดอยากจะได้ใครมาเป็นเครื่องผูกมัดให้ต้องห่วงใหญ่คุณเปรมไม่สามารถ ที่จะเป็นขอบเขตหรือว่าเครื่องผูกมัดนั้นได้เพราะว่าคุณเปรมมีแต่คอยเอาใจและคอยทำให้พลอยมีอิสระแก่ตัวยิ่งขึ้นแต่ว่าตะอน้นตะอ้นเป็นคนที่มาทำให้ชีวิตที่พลอยเห็นว่าขาดอยู่นั้นมันเต็มเพราะว่าตะอน้นมาทำให้พลอยต้องห่วงใยต้องคอยดูและมีเรื่องที่ต้องคิดต้องทำเกี่ยวกับตะอ้นทุกวันไป คุณเปรมนั้นถึงกับปลารบขึ้นหมาว่าแม่พรอยนี่ก็แปลกอยู่สบายสบายไม่ชอบชอบหาความกังวลมาใส่ตัววุ่นอยู่กับไอออนจนฉันจะหึงอยู่รอ ม, มาร์ออยู่แล้วคุณเปรมไม่ต้องหึงหรอกแต่อ้นแกทําให้ฉันรักคุณเปรมขึ้นอีกเป็นกองทําไมเล่าแม่พรอยก็เพราะคุณเปรมนะสิ ฉันถึงได้มีตาอ้นไว้เล่นไม่ต้องนั่งคอยให้เสียเวลาแม่พลอยพูดชอบกลฉันฟังไม่ออกเลยถ้าไม่มีตาอ้นแล้วแม่พลอยจะต้องคอยอะไรพลอยก้มหน้าลงดูกระดานแล้วตอบเบาๆว่าก็ก็คอยลูกของฉันเองเนอะสิคุณเปรมก็ถามเซาซีไปได้ แม่พ้อยแม่พ ร, อ ย, พรอยนึกว่าจะต้องคอยจะต้องคอยอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้อีกแล้วๆ9ก้าเดือนกระมังฉันฉันก็เพิ่งรู้ตัวคุณเปลนได้ฟังก็ตื่นเต้นจนแทบจะทรงตัวไว้ไม่อยู่เมื่อรู้ว่าพลอยกำมันจะมีลูก คุณเปรมรู้ว่าพลอยกำลังจะมีลูกคุณเปรมก็ตื่นเต้นมากนะคะแม่พลอยแม่ทุนหัวชิงหรือนี่เป็นยังไงบ้างไม่สบายหรือเปล่าทําไมไม่พลอยไม่บอกฉันสัก่อนฉันดีใจจนจะตัวลอยอยู่แล้วแม่พลอยอยากได้อะไรบ้างบอกมาเถิดอย่าเกรงใจฉันฉันหาให้ได้ทั้งนั้นคุณเปรมก็อุ้ยดีอกดีใจพลอยยิ้มมองดูคุณเปรมยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อเห็นว่าคุณเพรมเนี่ยดีใจจริงๆ พลอยก็เอื้อมมือไปจับแขนคุณเปรมไว้ก่อนจะบอกว่าฉันไม่อยากได้อะไรนักหนาหรอกคุณเปรมแต่ถ้าจะให้ดีวานใครออกหามะม่วงดิบๆให้ฉันสักสองสามลูกฉันอยากกินอะไรเปรี้ยวๆเวหลือเกินแต่ถ้าหามะม่วงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะตะลี่งริ่งสักกระทงหนึ่งก็ยังดีจากนั้นพลอยก็รีบคว้ากระโถนมาก้มหน้าลงไปแล้วก็อาเจียนแปบคนแพ้ท้อง ในวันหนึ่งพลอยอาศัยรถคุณเปรมพาตาอ้นเข้าไปเที่ยวในวังไปเยี่ยมช้อยไปเยี่ยมคุณสายเจ้าค่ะเอ้ยใครมาดูแม่พลอยสิแต่งงานได้เดือนกว่ามีลูกโตวิ่งได้แล้วเด็กอะไรก็ไม่รู้หน้าตาน่าเอ็นดูจะตายไปแม่พลอยไปเอามาจากไหนล่ะเนี่ยพลอยหัวเราะ ฉันไม่ต้องไปหาจากไหนหรอกช้อยเก็บได้ที่ในบ้านนั่นเองล่ะแม้ดีจริงเก็บได้เหรอกับของตกหล่นอยู่แล้วเป็นลูกใครเหรอพลอยก็หัวเราะ อ, อีกครั้งหนึ่งถ้าฉันบอกแล้วช้อยอย่าเอะอะไปนะต้องสัญญากับฉันก่อนแล้วก็อย่าดุฉันด้วยเออนะ่าไม่เ อ, อะอะรอกบอกมาดีๆเธอะลูกใครลูกคุณเปรมเลล่ะ มีหมกไว้ที่บ้านฉันไปอยู่ใหม่ๆไม่รู้เรื่องจนเป็นนานถึงได้รู้ฉันก็เลยเก็บมาเลี้ยงต่อน้นยังไม่ได้ทูปป้าช้อยเลยทูสลูกต่อ้นก็ยกมือพนมไหวช้อยยังเด็กว่าง่ายว่าแล้วไม่ล่าฉันนึกไว้แล้วไม่มีผิดทีเดียวว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆอยู่ตั้งแต่แรกแล้วและใครเป็นคนบอกพลอยละ่ะ ก็ไม่มีใครหลอกช้อยคุณเปรมเขาบอกฉันเองแต่ตอนที่เขาบอกฉันก็สงสัยว่ามันมีอะไรแปลงแปลงอยู่อย่างที่ชอยว่านั่นแหละและไม่พรอยว่าอย่างไรฉันจะไปว่าอะไรต่อ้นแกเห็นฉันแกก็วิ่งเข้ามากอดฉันจะไปว่าอะไรได้ได้แต่เก็บแกเอามาเลี้ยงเสียเองเท่านั้นแต่ถ้าจะว่าไปแล้วตาอ้นต่างหากที่แกเป็นคนเก็บตกฉันได้ไม่ใช่ฉันเก็บแกได้หรอก อืชอบกลนนี่เคราะดีที่ฉันรู้จักแม่พลอยรู้นิสัยใจคอกันดีถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นฉันจะไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดใครมาเล่าให้ฟังฉันก็จะว่าตอแหลชอหยุดเล่นกับตะ อ, อ้นครู่หนึ่งแล้วก็ถอนใจใหญ่ก็ดีเหมือนกันนะพลอยก็เลยมีลูกเอาไว้เล่นได้เร็วดีคุณเกรมเขาเก่งแยกนอได้ราวกับต้นกล้วยทันใจดีแท้ แล้วเขามีซุกซ่อนเอาไว้ที่ไหนอีกบ้างหรือเปล่าเห็นจะไม่มีอีกกลอกช้อยมีคนเดียวเท่านี้แหละเฮ้ยอย่าพิ่งประมาทไปมีคนเดียวได้เขาก็มีหลายคนได้ระวังตัวให้ดีเถอะเดี๋ยวจะต้องตั้งโรงเลี้ยงเด็กทั้งที่ไม่รู้ตัวแล้วแม่เขายังอยู่หรือเปล่า <pickles> ไม่มีแล้วล่ะเขาไปมีลูกมีผัวเสียก่อนฉันออกไปอีกต่อไปถ้าฉันจะตั้งโรงเลี้ยงอะไร ก็เห็นจะเป็นลูกของฉันเองนี่ก็อีก8ดเดอือนกว่าๆฉันก็จะได้เลี้ยงลูกแล้วล่ะตายจริงหรือนี่ชอยร้องเสียงหลงพลอยพยักหน้าอย่างอ้ายพอดีคุณสายที่เพิ่งรู้ว่าพลอยเข้ามาในวงังก็กระหือกระหอบโผล่เข้ามาในห้องคุณอาขาคุณอาคุณอารีบมาฟังเถิดคะ่ะเกิดเรื่องใหญ่แล้ว คุณสายหน้าตาตื่นตื่นมานั่งลงข้างๆพลอยทั้งที่ยังหอบอยู่เรื่องอะไรกันพลอยไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณป้าชอยเอะอะไปเองฉันบอกเขาว่าเออแม่พลอยเขาจะมีลูกท้องเดือนกว่าแล้วค่ะพุดโถอันนี้จังทุกขังใหญ่ชอยร้องเสราวกับไฟไหมฉันก็พลอยตกใจนึกว่าเกิดเรื่องใหญ่จริงๆ ขึ้นสายฝั่งเรื่องตาอ้อนแล้วก็สันเสริญให้ศีลให้พรสรเสริญให้ศีลให้พรพลอยไปอีกยืดยาวนะคะจนกระทั่งได้เวลาที่เสด็จบรรทมตื่นพรอยก็ขึ้นไปเฝ้าพรอยเห็นพระพักเสด็จก็รู้ว่าเสด็จดีพระทัยมากที่ตนเข้าไปเฝ้า เสด็จรับสั่งถามเรื่องราวทางบ้านพลอยหลายอย่างและพอช้อยทูลเรื่องตะอน้นเสด็จก็กริ้วแวะทีเดียวรับสั่งว่าถ้าทรงทราบเรื่องนี้ก่อนก็จะไม่ประธานอนุ ญ, ญาตให้พลอยแต่งกับคุณเปรมเป็นอันขาดส่วนเรื่องแม่ของตะอน้นเสด็จก็กริ้วอีกรับสั่งว่าแม่ของตะอ้นคงจะต้องออกจากบ้านไปเพราะถูกคุณเปรมไล่เพื่อที่จะได้แต่งงานกับพลอยเท่านั้นเอง คุณเรมบอกว่าเขาออกไปมีสามีใหม่โดยสมัครใจมั้งคะใช่ข้าไม่เชื่อหรอกนี่คงจะไล่มันออกจากบ้านพากแม่พากลูกมันหรอกนึกว่ามีเงินจะทําอะไรก็ทําได้ข้าสงสารอีหนางผู้หญิงคนนั้นมันออกนี่ป่านนี้จะไปถูกข่มเหงที่ไหนอีกก็ไม่รู้ธรรมดาคนในบ้านเมื่อมันมีลูกก็ต้องเลี้ยงดูมันไปจะเป็นอะไรนักหนาคนอย่างเจ้าเปรม จะมีเมียหลายคนก็ยังได้นางพลอยมันก็คงไม่หึงหรอกแต่นี่ใจร้ายชอบใจขึ้นมาก็เอาเป็นเมียไม่ชอบใจก็เฉดหัวไปขากเกลียดที่หน้าเสีย จ, จริงทีเดียวคนอะไรก็ไม่รู้นางพลอยระวังตัวให้ดีเถอะต่อไปมันเบื่อเจ้าขึ้นมามันก็จะไล่เสืออีกคนแล้วก็จะต้องวิ่งกลับเอาลูกมาให้ข่าเลี้ยงอย่างแม่เจ้าอีกนั่นแหละขากลุ้มใจนะ ช้อยแลดูตาพลอยแล้วก็ก้มหน้าลงยิ้มฝ่ายพลอยเห็นเสด็จกิ้วหนักก็ไม่กล้าทูลเรื่องอะไรต่อไปอีกหมอบนิ่งปล่อยให้ทรงบ่นต่อไปจนถึงเวลาทูลลาลงมาข้างล่างพลอยเข้าไปในวังครั้งนี้ได้ทราบว่าเสด็จและเจ้านายพระองค์อื่นๆจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังบางปะอินเพื่อถวายพระเพลิงพระศพเสด็จพระองค์ใหญ่ หรือกรมขุนสุพรรณภาควดีนะที่นั้นทุกคนที่ได้พบเล่าให้ฟังว่างานนี้จะสนุกเพียงใดแล้วก็ชวนให้พลอยไปด้วยซึ่งพลอยก็ใจเต้นอยากจะไปอยู่ครั่นครันไปได้วยกันเถอะ น, นาพลอยงานครั้งนี้เขาลือกันว่าสนุกนักหนาเป็นงานใหญ่โตไม่มีใครพบเห็นมาแต่ก่อนที่เดียวเพราะว่าท่านโปรดเสด็จพระองค์ใหญ่มาก ท่านรับสั่งว่าเป็นลูกคู่ทุกคู่ยากของท่านถวายพระเพลิงคราวนี้จึงต้องทําให้เต็มที่ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งเถิดพลอยไม่กี่วันหรอกทุกคนที่นั่งอยู่ที่นั่นต่างก็พากันชักชวนขอร้องให้พลอยไปได้วยกันอย่างเสงแ๊าใจจริงพลอยก็อยากจะไปนะคะแต่ก็ติดที่ว่าตอนนี้ไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วเพราะว่าแต่งงานแล้ว และแถมหนึ่งมีตาอ้อนอีกเสียงคนที่นั่งอยู่รอบตัวพลอยก็ดังเซิงแซ่ช้อยก็บอกว่าโฮ้ยเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกพลอยยังใหม่ๆอย่างนี้ขี้เกียจจะตามใจแล้วก็ดีซะอีกจะได้เห็นหน้ากันทุกวันไม่ต้องจากกันนานเพราะคุณเปรมเขาก็คงจะต้องตามเสด็จเหมือนกันคือคุณเปรมเองก็เป็นมหาดเล็กด้วยนะคะ ทุกคนก็ยืนยันว่าเหตุผลของช้อยเนี่ยถูกต้องและทุกคนก็เห็นว่าพลอยต้องตามเสด็จคราวนี้อย่างไม่มีปัญหาแต่พลอยก็ยังไม่สามารถรับคำได้แล้วฉันจะทำอย่างไรกับตาโอนละ่ะจะทิ้งแกไว้ทางบ้านก็เป็นห่วงจะเอาไปด้วยก็ลำบากจะลำบากลำบนอะไรนักหนาพลอย เด็กตัวเล็กนิดเดียวเอาติดไปด้วยจะไปกินที่กินทางอะไรพรอยไปเรือกับคุณอาสายก็แล้วกันจะเอาบ่าวไพร่ไปด้วยก็ได้สําหรับเลี้ยงตาอน้นถ้าพรอยอยู่ที่เรือเครื่องฉันจะออกมาเล่นไปมาหาสู่กับแม่พรอยทุกวันคุณอา จ, จะได้ไม่ดุฉันว่าทะเลทลายแล้วคุณเปรมก็จะได้มีที่กินข้าวอร่อยๆไปทถนาแม่พรอยแกะตัวไม่หลุดล็อกพรอยกลับออกมาบ้าน ด้วยใจเต้นตุ้มตม ต, ม, ตมนะคะใจจริงนั้นพลอยอยากไปมากอยากกลับไปเจอกับเพื่อนฝูงอยากไปบังไปอินอยากไปเที่ยวนะคะอยากเดินทางไปกับชอยแล้วก็อยากไปดูงานพรอยออกมาจากในวังแล้วหลายเดือนก็จริงแต่ความรู้สึกความสนใจต่างๆก็ยังเป็นชาววังอยู่มิได้เปลี่ยนแปลงไป ศูนย์กลางแห่งชีวิตของพลอยก็ยังอยู่ในวังนั่นเองข่าวคราวต่างๆที่ในวังก็เป็นเรื่องที่พลอยฟังด้วยความกระหายนานๆคุณเพรมกลับจากวังก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังบ้างแต่เรื่องที่คุณเพรมมาเล่าก็เป็นเรื่องทางด้านมหาดเล็กไม่ลึกซึ้งจับจิตจับใจเหมือนเรื่องที่เล่ากันออกมาจากข้างในถึงว่าพลอยจะอยู่นอกวังแต่ใจนั้นก็ยังเฝ้าอยู่ในวังเหมือนเดิม เมื่อในวังมีงานการอย่างใดก็อยากรู้อยากเห็นคนในวังจะมีเรื่องทุกข์สุขอย่างไรก็อยากจะร่วมด้วยตั้งแต่ออกมาจากวังพลอยก็รู้ตัวว่าได้อยู่ที่บ้านคุณเปรมอย่างมีความสุขและฐานะของพลอยในขณะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นฐานะที่น่าอิจฉาคือออกมาเป็นภรรยาของเศรษฐี เพราะว่าคุณเปรมก็จัดไดว่าเป็นคนมีฐานะนะคะแต่ถึงอย่างนั้นพลอยก็ยังใฝ่ฝันที่จะได้กลับไปรับใช้ชีวิตอย่างเดิมที่ตนคุ้นเคยมาตั้แต่เล็กถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตลอดอย่างแต่ก่อนเป็นเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดีทุกครั้งที่พลอยมีโอกาสเข้าวังพลอยก็จะรื่นเริงชื่นบานเหมือนกับได้กลับบ้านหลังจากที่จากไปนาน เมื่อได้เข้าวังครั้งหนึ่งแล้วกลับบ้านพรอยก็มีเรื่องที่จะเก็บมาคิดหรือมีคำพูดแปลกๆที่ได้ฟังกลับมานั่งนึกคบขันต่อไปได้อีกหลายวันงานพระเบนที่บางไปอินคราวนี้เป็นงานใหญ่ใครไม่ได้ไปก็เรียกได้ว่าเป็นคนนอกสังเวียนไม่ทันต่อเหตุการณ์แทบจะขายหน้าคนทั้งวังทีเดียวเพราะต่อไปก็จะต้องตกอยู่ในฐานะเป็นผู้ฟังคำเล่าลือจากปากคนอื่นมีได้เห็นด้วยตา จะพูดจะจาสิ่งใดก็คงไม่มีน้ำหนักแต่ตามภาษาผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะไปไหนก็ต้องขออนุญาตสามีก่อนพรอยก็เลยลุ้นนะคะว่าคุณเปรมจะว่าอย่างไรพรอยก็นั่งนึกถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาและเมื่อกลับมาถึงบ้านก็คิดต่อว่าจะพูดจากับคุณเปรมอย่างไรดีเพราะขณะนี้ พลอยเกรงใจคุณเปรมเสียเป็นที่สุดแล้วจะเอ่ยปากเรื่องนี้กับคุณเปรมตรงๆว่าอยากจะไปเพราะเพื่อนฝูงชวนก็ไม่แน่ว่าคุณเปรมเนี่ยจะนึกอย่างไรพลอยรู้ว่าคุณเปรมคงไม่ขัดใจแต่ข้อสําคัญนั้นอยู่ที่ว่าคุณเพรมจะนึกว่าอย่างไรสิ่งที่พลอยไม่อยากให้คุณเปรมนึกก็คือว่าพลอยเป็นคนรักเพื่อนฝูงมากกว่าคุณเพรม หรือความรักสนุกสบายส่วนตัวมากกว่าภาระทางบ้านแต่ทั้งที่เกรงใจคุณเปรมนั่นเองพลอยก็นึกในใจ Jenny อยู่ว่าจะต้องหาทางดิ้นรนไปให้จงได้เมื่อตอนที่คุณเปรมออกเวรกลับบ้านพลอยก็ยังอึกอักไม่กล้าออกปากขอไปบังไปอินจนกระทั่ง อีกสองสาวันต่อมาคุณเปรมก็เป็นฝ่ายเอ่ยตากขึ้นมาเองว่าแม่พลอยฉันจะต้องตามเสด็จไปบางไปอินอาทิตย์หน้านี้แล้วช่วยจัดของให้ฉันด้วยคราวนี้ผู้ใหญ่ท่านบอกว่าจะต้องไปหลายวันฉันชักเป็นห่วงแม่พลอยเพราะว่ากาลังตั้งท้องไม่อยากจะไปเลยแต่ก็จนใจเพราะเป็นราชการจะหลีกเลี่ยงก็ไม่ได้ แต่ก่อนตัวฉันคนเดียวจะไปไหนก็ไม่มีห่วงแต่เดี๋ยวนี้จะต้องไปไหนแต่ละทีใจคอไม่สบายเลยทีเดียวก็เข้าทางเลยทีเดียวนะคะพรอยก็เลยรีบตอบไปว่าคุณเปรมฉันก็กําลังจะพูดกับคุณเปรมเรื่องนี้อยู่ทีเดียวพวกในวังเขาชวนฉันไปบางไปอินคราวนี้ด้วยแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าคุณเปรมจะต้องไปด้วยหรือไม่ ถ้าคุณเพลมไม่ต้องไปฉันก็ว่าจะไม่ไปเหมือนกันแต่นี่พอดีคุณเปรมจะต้องตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวฉันก็อยากจะตามเสด็จของฉันไปด้วยแม่พลอยจะไปไหวหรือเดี๋ยวจะไม่สบายแต่ก็อีกนั่นแหละถึงไปฉันก็คงไม่ได้พบแม่พลอยก็จะเข้าไปอยู่เป็นคุณข้างในเสียในวังฉันจะไปมาหาสู่ก็ไม่ได้ยิ่งรู้ว่าอยู่ใกล้แล้วไปมาหาสู่กันไม่ได้ฉันจะยิ่งคิดถึงใหญ่ คุณเปรมก็พูดปราวกับว่าฉันท้องสัก8ปดเดือนคุณเพรมอย่าวิตตกเลยในข้อที่ว่าจะไม่ได้พบกันฉันจะเอาตาอ้นไปด้วยเอานางพิษกับเยาแจ่มติดไปถึงอย่างไรก็เข้าไปอยู่ในวังไม่ได้ฉันว่าจะไปอยู่เรือเครื่องกับคุณอาสายคุณเปรมมาหาฉันให้ได้บ่อยๆก็แล้วกันคราวนี้ฉันเลี้ยงขนมจีนน้าพริกคุณเพรมบ้างแล้วฉันจะเลี้ยงให้ดีจะพูดจะคุยด้วย ไม่มานั่งเฉยๆไม่พูดกับใครอย่างที่คุณเตรมทำคราวที่แล้วหรอกพูดปรมลึกความหลังแบบนี้คุณเตรมก็หัวเราะชอบใจแล้วก็ออกปากอนุญาตให้พลอยไปบางระอินได้ทันทีเรื่องเล็กๆน้อยๆและความหลังต่างๆเป็นเครื่องชักจูงให้คนทั้งสองมีความสนิทสนมกันยิ่งขึ้น หลังจากได้รับอนุญาตจากคุณเปรมให้ไปบางไปอินพรอยก็รู้สึกรื่นเริงก็ปรีกกระเป๋าขึ้นมากอาการหงุดหงิดเศร้าใจว้าเววงัวงเวงียงใจของคนแพ้ท้องและเริ่มตั้งท้องหายไปเป็นติดทิ้งพรอยวิ่งเข้าวิ่งออกระหว่างบ้านกับวางหลายครั้งหลายคราวเพื่อนัดหมายกับคุณสายและพวกพ้องถึงเรื่องการที่จะไปบางไปอินนอกจากนั้นก็ยังต้องเตรียมเครื่องนุ่งหม่มที่นอนหมอนมุ้งสำหรับตาอน้น ระยะเวลาเจ็ดแดวันนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยที่พลอยไม่รู้สึกและพอถึงวันก่อนเสด็จบางไปอินวันหนึ่งคุณเปรมก็พาพลอยกับตะอ้อนนางพิษและยายแจม่มขึ้นรถไปส่งลงเรือเครื่องล่วงหน้าไปในตอนเช้าตรู่ของวันหนึ่ง ไม่ารู้ตัวเมื่อตอนที่ลงเรือว่าช้อยก็จะไปเรือด้วยกันตอนแรกนึกว่าช้อยคงจะต้องตามเสด็จเสด็จทางรถไฟแต่ช้อยบอกว่าเสด็จท่านคงดีพระไทยที่พลอยตามเสด็จพอท่านทรงทราบว่าแม่พลอยจะตามเสด็จแต่มาเรือกับคุณอาท่านก็รับสั่งให้ฉันมาทางเรือด้วยถาท่านจะมีพระประสงค์ให้ฉันมาเป็นเพื่อนแม่พลอยจะได้คุยกันกลางทางไม่ต้องเหงา คุณสายที่นั่งฟังอยู่ในเรือก็ร้องถัดคอขึ้นบอกว่าโถ่เอ้ยคนเรานี่เมื่อไหร่จะรู้สำนึกตัวกันบ้างท่านไม่ให้ตัวตามเสด็จทางรถเพราะท่านกลัวว่าท่านจะต้องขายพระพักนงสิไม่ว่าเอ๊คุณอานี่ชาติก่อนท่านจะทำกรรมกับฉันเอาไว้มากแล้วเนี่ย ไม่ว่าฉันจะพูดจะจ่าอะไรคุณอาต้องขึ้นเทศสองท ร, ร ม, มาสขัดคอกับฉันทุกทีไปแปลกแท้ๆทีเดียวพรอยฟังคุณสายกับช้อยปะทะคารมกันก็ดูสึกอารมณ์ดีมีความสุขเพราะนี่คือสิ่งที่คุ้นเคยนะคะพรอยได้กลับมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เคยชินช้อยหาเรื่องมาคุยให้คบคันได้อยู่เรื่อยๆ ส่วนคุณสายนอกจากจะกลัวเรือล่มกลัวอันตรายต่างๆในน้ำแล้วก็ยังกลัวตะอ้อนจะวิ่งซุกซนลงน้ำหายไปเพราะว่าพลอยเนี่ยเอาตะอ้อนมาด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในวัยที่กำลังซนเลยทีเดียวคุณสายก็กำชับกำชานังพิษยายแจมแล้วก็คนห้องเครื่องอื่นๆให้คอยช่วยกันดูเสียงเ อ, อะอะอยู่ท้ายเรือ พอเรือออกแล่นฝากกระแสน้ำระหว่างกรุงเทพถึงตลาดขวัญตาอน้นซึ่งเคยเดินทางทางเรือเป็นครั้งแรกก็เริ่มตื่นเต้นวิ่งเล่นไปมาอยู่ในเก๋งทาให้คุณสายต้องร้องตะโกนเรียกเสียงหลงอยู่หลายครั้งแต่พอเรือแล่นพ้นตลาดขวัญไปแล้วตาอ้นจิงได้เริ่มสงบแล ะ, และก็นอนหลับเหตุการณ์ภายในทางด้านคุณสายก็เลยสงบลงตามไปด้วย ช้อยขอตัวว่าจะไปนอนกับตาอ้อนสักงีบหนึ่งบอกว่าเมื่อคืนนี้วุ่นวายกับการเก็บของอยู่จนดึกแล้วก็เลยไม่หลับไปตลอดรุง่งมีแต่พรอยนั่งเอนหลังพิงฝาเรือหน้าเก๋งไปแต่ผู้เดียวเสียงคนเครื่องคุยกันได้ยินจากท้ายเรือนานๆก็มีเสียงคุณสายสอดขึ้นมา เสียงใครต่ำน้ำพริกข้างท้ายเรือเสียงน้ำที่แตกซาอยู่ทางหัวเรือดังอยู่ไม่ขาดระยะปล่อยทอดอรมมองดูทิวทัศน์สองข้างแม่น้ำอย่างพอใจต้นหมากรากไม้แลดูเขียวช่ออุ่มบานช่องรัศดรโผล่หลังคาขึ้นมารับแสงตะวันเป็นระยะสลับกับวัดว า, ารามสองฝั่งแม่น้า พลอยนั่งนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านไปบางเรื่องก็ดูเหมือนจะเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้บางเรื่องก็ดูเหมือนว่าเกิดขึ้นนานนักหนามาแล้วจนจําได้เพียงเลือนลางคราวที่ตามเสด็จบางไปอินคราวก่อนดูเหมือนว่าจะเกิดเมื่อวันสืนนี้เองพราะ ย, ยังจําความรู้สึกต่างๆได้หมด แม้แต่จะนุ่งห่มสีอะไรในวันตามเสด็จก็ยังจำได้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนเสด็จบังไปอินข่าวนั้นก็คือตอนที่ได้ทราบข่าวว่าพี่เนื่องไปมีเมียที่นครสวรรค์มาคิดดูเดี๋ยวนี้ก็ไกลตัวเหลือเกินเรากับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายสิบปีพลอยนึกถึงเรื่องนั้นแล้วก็แปลกใจจาได้ว่าครั้งหนึ่ง เคยรักพี่เนื่องยิ่งกว่าสิ่งใดๆแต่มานึกดูในขณะนี้ก็ไม่เกิดความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นปราศจากความวาบหวามในใจอย่างที่เคยมีมาแต่ก่อนหรือนึกถึงเรื่องที่พี่เนื่องสละคําสัญญาก็ไม่ได้เกิดความทุกข์ระทมเหมือนที่เคยรู้สึกมาครั้งหนึ่งพลอยคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็อัศจรรย์ใจเพราะเป็นเรื่องของตัวแท้ แต่เมื่อเวลาล่วงเลยไปไม่นานเท่าไหร่ก็กลับกลายเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วไม่มีความหมายเหมือนกับว่าเรื่องนั้นเกิดกับคนอื่นไม่ได้เกิดแก่ตนพลอยนึกถึงคุณเปรมแล้วก็ยืนยันกับตัวเองว่าไม่ได้รักคุณเปรมเหมือนกับที่เคยรักพี่เนื่องแต่ความรู้สึกที่มีต่อคุณเปรมก็เป็นความรู้สึก ที่พี่เนื่องไม่เคยได้รับนึกถึงคุณเปรมพรอยก็ยิ่งแปลกใจเพราะถึงจะได้แต่งงานอยู่กินกับคุณเปรมได้ไม่กี่เดือนแต่ในความรู้สึกในใจนั้นคล้ายกับว่าได้กินอยู่กับคุณเปรมมานานนักหนามีใช่เวลาเร็วๆ เ, เลยภูมิประเทศสองฝั่งแม่น้ำผ่านไปเรื่อยเมืองปทุมพ้นไปแล้ว บ้านเรือนสองฝั่งก็ห่างลงมีแต่เลือกสวนไรนาพอตกบ่ายตะวันคร้อยเรือเครื่องก็เข้าสู่บานไปอินแล้วก็ถูกจูงไปเทียบไว้ที่คลองท้ายวังอันเป็นที่ที่กำหนดเอาไว้ให้ตอนบ่ายวันนั้นพลอยเข้าไปในวังบางไปอินกับคุณสายและช้อยเพื่อจัดเตรียมที่ประทับไว้สำหรับเสด็จซึ่งจะเสด็จมาจากรถไฟซึ่งคือเสด็จมาทางรถไฟจากกรุงเทพ ในวันรุ่งขึ้นคือบระดาข้าหลวงก็จะเดินทางมารอรับก่อนจัดเตรียมที่ทางก่อนรุ่งขึ้นอีกวันพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จถึงบางปะอินโดยทางรถไฟข่าวนี้เจ้านายข้างในตามเสด็จมาเกือบทุกพระองค์ที่ประทับบนพระตำหนักวรณาซึ่งเป็นที่ประทับสำหรับเจ้านายจึงเบียดเสียดยัดเยียดกันอยู่บ้าง พอเสด็จเข้ามาถึงที่ที่จัดเตรียมไว้และทอดพระเนตรเห็นพลอยคอยรับเสด็จอยู่ที่นั่นก็ส่งพระสวนรับสั่งว่าพลอยมาด้วยก็ดีแล้วงานคราวนี้ใหญ่โตนักถ้าไม่ได้ดูไว้ก็จะไม่ได้เห็นอีกจากนั้นก็ทอดพระเนตรดูที่ทาง ที่ได้จัดเตรียมเอาไว้แต่เมื่อวานแล้วก็รับสั่งกับพลอยอย่างทรงพระเมตตาว่าฝีมือนางพลอยข้ามองปราดเดียวก็จำได้ถึงเจ้าจะไม่เข้ามาคอยรับที่นี่ข้าก็ต้องรู้ว่าเจ้าเป็นคนจัดที่จัดทานเตรียมข้าวของไว้ให้แล้วนี่เจ้ามาแต่คนเดียวหรือมากับใครอีก เสด็จรับสั่งถามและเมื่อพลอยกราบทูลว่าคุณเปรมก็ตามเสด็จมาในกระบวนและตา อ, อ้นก็เอามาเลี้ยงเอาไว้ที่เรือเครื่องเสด็จก็ส่งพระสวนรับสั่งว่าทั้งผัวและลูกของผัวหอบกันมาพรงพรางจริงนางพลอยและก็ยังอยู่ในท้องอีกทั้งคนเวลาไม่มีงานจะต้องไปไหนเจ้าไม่ต้องมาอยู่กับข้าก็ได้ เดียวลูกผัวมาหาที่เรือไมอ่พบเขาจะผ่านทิ้งเสียเลยเวลาจะออกงานพระเมนจึงค่อยเข้ามาพลอยรู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขที่ได้กลับมาเฝ้าแหนคอยรับใช้เสด็จและรับสั่งด้วยเป็นปกติอย่างสนิทสนมเหมือนเมื่อครั้งก่อน ประมาณสองสามวันหลังจากเสด็จถึงบางปะอินแล้วเพื่อเจ้าอยู่หัวก็เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายหน้าฝ่ายในไปยังสถานีรถไฟบางปะอินเพื่อรับพระศพกรมขุนสุพรรณภาควดีจากกรุงเทพกระบวนรถพระศพเข้าถึงสถานีในตอนสายประโกฏบรรจุพระศพนั้นประดิษฐานอยู่บนรถโถงซึ่งตกแต่งเป็นพิเศษพร้อมด้วยกระบวนรพระอิสริยยศต่าง และเมื่อพระศ์ถึงบางปะอินแล้วก็เชิญพระโกดลงเรือยาวมาขึ้นที่ท่าพระราชวังบางปะอินจากนั้นก็เชิญพระโกธไปปฏิสถานณพระที่นั่งไอสวรรค์ที่พยอาตซึ่งสร้างไว้กลางสะในพระราชวางังแล้วก็โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระศพณที่นั้นสามวันและมีงานมหระศพสมโพธ สองข้างพระที่นั่งไอสว ร, ร์ได้ปลูกสร้างเป็นพับพราและต่อสะพานเดินจากขอบสะถึงกันได้ตลอดแบ่งเป็นข้างหน้าข้างหนึ่งและข้างในอีกข้างหนึ่งในวันบําเพ็ญพระราชกุศลวันแรกพลอยแต่งขาวตามเสด็จขึ้นไปทางที่ประทับข้างในเมื่อส่งเสด็จแล้วพรอยก็นั่งอยู่กับพวกข้าหลวงตาหนักอื่นทางท้าย พ, พาับพลาพอที่จะแลเห็นเจ้านายที่ประทับอยู่นั้นได้ การพระราชกุศลดำเนินไปจนเสร็จแล้วพลอยนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้สนใจเท่าไหรนะ่นักเพราะเป็นมุ่งนึกถึงเรื่องที่นัดเอาไว้กับช้อยว่าจะออกไปเที่ยวนในตอนกลางคืนพองานที่พระที่นั่งไอสวร์เสร็จลงพลอยก็รู้ได้ว่าจวนถึงเวลาเจ้านายเสด็จกลับเพราะมีความเคลื่อนไหวภายในที่ที่เจ้านายข้างในประทับแต่ในทันใดนั้น พระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จขึ้นผ่านทางเจ้านายข้างในและพลอยโดยมิได้คาดฝันและพลอยก็ได้เห็นสิ่งที่ประทับตราตรึงใจไปจนตลอดชีวิตนั่นก็คือพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาจากที่ประทับด้วยพระพักอันเศร้าโศกอาลัยถึงพระราชธิดาที่อยู่ในพระโกรธและพอทอดพระเนตรเห็นเสด็จพระองค์กลางผู้เป็นพระคณิษฐาร่วมเจ้าจอมมันดา กับกรมมาคุณสุพรรภพาคววดีก็เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาสวมกอดเสด็จพระองค์นั้นและต่างองค์ต่างทรงพระกันแสงพลอยใจหายด้วยความเศร้าสลดรีบหมอบก้มหน้าลงทันทีมิกล้าจะมองภาพนั้นในคอนั้นแห้งและตีบตันน้ำตาอุ่นๆ อ, ออกมาอยู่เต็มสองเบ้าตาพลอยเพิ่งได้เห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่พระเจ้าอยู่หัวของตนทรงพระกันแสงความทุกข์กระทมใจที่ตนเคยได้รับมาแล้วและแน่ใจว่าจะต้องรับต่อไปนั้นดูหมดความสำคัญลงไปในทันทีทันใดว่านับประสาอะไรแต่คนขนาดพลอยซึ่งเป็นแต่เพียงผู้ที่ไม่มีความสำคัญอย่างใดจะต้องเศร้าโศกจะต้องประสบความทุกข์เป็นครั้งคราวโดวยต้องเสียของรักหรือพลัดพรากจากคนเป็นที่รัก เพราะแม้แต่พระเจ้าอยู่หัวเจ้าชีวิตของคนทั้งเมืองและสำหรับพลอยก็ถือว่าเป็นหลักของโลกมนุษย์นี้พระองค์ยังต้องประสบความวิปโยกเช่นกันหาทรงหลีกเลี่ยงจากการพัดพลาคจากคนที่รักหรือของที่รักนั้นได้ไหมพลอยหมอบก้มหน้าอยู่นานจนแน่ใจว่าน้ำตาแห้งแล้วจึงเงยหน้าขึ้นก็พอดีได้เวลาเสด็จกลับ สำหรับรายละเอียดของงานาพระราชทานเพลิงพระศพของเสด็จพระองค์ใหญ่พระเจ้าปรรมวงเธอกรมขุนสุพนธ์พาเขาวดีนี้เดี๋ยวจะเล่าเกร็ดความรู้ให้ฟังในช่วงหน้านะคะตอนนี้ฟังเรื่องต่อกันก่อนเพราะว่าเหตุการณ์สำคัญยังไม่หมดนะคะบ่ายวันนั้นค่ะคุณเปรม ก็มาหาพลอยแล้วก็มากินข้าวที่เรือเครื่องคุณสายก็จัดสำรับเลี้ยงดูอย่างแข็งแรงคุณเปรมก็พูดคุยอยู่กับคุณสายแล้วก็ทำให้คุณสายในปลื้มปิติยินดีมีอารมณ์ดีไปได้มากพอตกเย็นคุณเปรมกลับไปช้อยจึงออกมาจากในวังเพื่อรับพลอยไปเที่ยวงานตามที่ได้นัดกันไว้แต่ช้อยมาพร้อมกับหน้าตาที่ดูแล้วไม่ค่อยสบายนะ วันนี้มีข่าวไม่ดีเสียแล้วละ่ะข่าวอะไรอีกละ่ะเดี๋ยวก็จะมาหลอกให้ฉันตกใจอีกรอบข่าวนี้ข่าวจริงๆค่ะคุณอาฉันไม่ได้พูดเล่นหรอกสมเด็จพระองค์ใหญ่ทรงพระประชวรชอยหมายถึงสมเด็จเจ้าฟ้าผู้เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่กับพระอัครชายาองค์กลางเอ๊ะ กเมื่อเช้าฉันยังเห็นท่านเสด็จไปรับพระศพที่สถานีอยู่นี่ช้อยนั่นน่ะสิเหลวเสียอีกและกระมังใหญ่ช้อ ย, ย, อยระวังให้ดีเถอะท่านอยู่ของท่านดีๆไปหาว่าท่านประชวนเดี๋ยวถูกมะพร้าวห้าวยัดปากช้อยไม่สนใจต่อคําพูดของคุณสายแต่ตอบพลอยว่าฉันรู้แล้วพลอยแต่ท่านเสด็จไปทั้งประชวนเพราะเมื่อเช้า เพียงแต่ไม่ทรงสบายนิดหน่อยเท่านั้นแต่พอเสด็จกลับมาก็มีพระอาการหนักขึ้นพวกข้าหลวงเขาเล่าให้ฉันฟังว่าพระองค์ร้อนเหลือเกินไม่เคยเห็นพระอาการอย่างนี้มาก่อนเลยอย่าพูดมากไปเลยยายช้อยมุดท่อหมอหลวงท่านก็มีถมไปประชวนไข้ผิดอากาศถูกแดดถูกหน้าอย่างนี้อีกสองสาวันท่านก็หายอย่าไปพูดให้เป็นหนักหนาไปเลย สมพรปากคุณอาเธอช้อยพูดหน้าขืมขึมพลอยตามช้อยไปในวังนิ่งๆไม่ได้พูดจาว่าอะไรกันอีกต่อไปคืนวันนั้นได้สะใหญ่ที่พระราชวังบางปะอินสว่างไสวด้วยแสงไฟสิ่งที่เรียกร้องความสนใจที่สุดก็คือกระทงใหญ่ที่ลอยอยู่ในสะระพลอยลงเรือพายกับช้อย แล้วก็พวกข้าหลวงตำหนักเดียวกันอีกสองสามคนเที่ยวพายดูกระทงเหล่านั้นด้วยความตื่นตาตื่นใจกระทงใหญ่ที่มาลอยอยู่ในสระเป็นของเจ้านายข้าราชการและพ่อค้าเครหบดีจัดทามาสนองพระเดชพระคุณทุกกระทงจุดไฟสว่างสวยัยและประดิษฐ์เป็นรูปต่างๆมีเครื่องยนต์กลไกยอยู่ในนั้นบางกระทงทาเป็นรูปเรือลบ ยอดส่วนจากของจริงลงมาได้ขนาดแล้วก็มีครบทุกอย่างอีกกระทงหนึ่งทำเป็นรูปนางธรณีบีบมวยผมมีเครื่องสูบน้ำซ่อนอยู่ข้างในสูบน้ำจากสระให้ไหลออกมาทางมวยผมได้จริงเลยไปอีกทางหนึ่งเป็นกระทงทำเป็นรูปพญานาคจาศีลงดงามวิจิตด้วยลวดลายสลักจนดูเหมือนกับว่าพญานาคนั้นมีชีวิต แต่ถ้าเกิดว่าใครไปกระทบก็จะเคลื่อนไหวสำแดงอิทธิฤทธิ์นอกจากนี้ก็มีกระทงของอีกเจ้าของหนึ่งทำเป็นรูปกระโจมตแตรที่มีของจริงอยู่ในพระราชวังนั้นย่อส่วนลงมาจนเหลือเล็กหน้าเอ็นดูนี่คือส่วนหนึ่งของความตื่นตาตื่นใจที่พลอยได้เห็น ลอยพายเรือวนเวียนดูกระทงเหล่านั้นอยู่จนดึกดูเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเบื่อในสาลนั้นเต็มไปด้วยเรือเจ้านายและเรือข้างในออกพายเวียนวนดูกระทงอยู่ทั่วกันมีเสียงทักทายกันเบาๆเสียงชมกระทงนั้นเปรียบกับกระทงนี้ดังอยู่ไม่ขาดกระทงที่นํามาลอยในสาลนี้ลอ ย, อยอยู่จนครบสามวันอันเป็นเวลาตั้งพระศพ บำเพ็ญพระราชกุศลและในคืนต่อมาเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพร้อมด้วยคณะกรรมการประกวดกระทงกระทงใดที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งก็ให้ปักธงเหลืองไว้เป็นสำคัญก่อนถึงวันถวายพระเพลิงวันหนึ่งพรอยไม่ได้เข้าตามเสด็จในวังพรุะธิ้อ่อนเพลีย หลังจากนอนดึกมาสองคืนช่วงนั้นอากาศก็ค่อนข้างค่อนข้างออร้อนนะคะพลอยก็อาบน้ำประแป้งบรรเทาความร้อนแล้วก็หยิบหัวหอมกระจุกหนึ่งออกมานั่งปอกอยู่ที่หัวเรือเพื่อเอาไปให้เขาทำเครื่องและเพื่อฆ่าเวลามีให้มืออยู่ประเปล่า คนแต่ก่อนนี่ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์จริงๆนะคะมีอะไรก็พยายามหามาทำไม่ให้อยู่ว่างๆพรอยก็นั่งก้มหน้าก้มตาปอกหอมอยู่อย่างสบายอารมณ์มีได้นึกถึงสิ่งใดโดยเฉพาะพรอยจะนั่งอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ละ่ะมารู้สึกตัวว่ามีใครคนหนึ่งมายืนอยู่บนตลิงตล่งหน้าเรือ ห่างจากที่ที่พลอยนั่งไม่กี่มากน้อยพลอยก็เงยหน้าขึ้นดูว่าใครมายืนอยู่แล้วพอคนที่ยืนอยู่เห็นหน้าพลอยก็สะดุ้งสุดตัวทำท่าเหมือนกับจะถอยหนีแต่แล้วก็ได้สติทักขึ้นก่อนว่าแม่พลอยฉันไม่รู้ว่าแม่พลอยก็มาด้วย พลอยยิ้มยกมือไหว้แล้วก็ตอบว่าพี่เนื่องถ้าจะมาหาคุณอาละสิเชิญลงมาในเรือสิปรากฏว่าเป็นพี่เนื่องนั่นเองพี่เนื่องก้าวลงเรืออย่างระมัดระวังสายตา ย, ยังจับอยู่ที่พลอยพอลงมานั่งพับเพียบที่หน้าเรือเรียบร้อยแล้วพี่เนืองก็บอกว่าแม่พลอยสบายดีหรือ ไม่ได้พบกันมานานฉันคุมทหารมารักษาการที่นี่เดี๋ยวนี้ฉันย้ายมาอยู่กรุงเก่าหรืกว่าคุณอาสายจะตามเสด็จฉันก็เลยถามเข้ามาจนถึงเรือลำนี้พี่นึ่งก็เป็นทหารนะคะย้ายลงมาอายุธยาแล้วก็มาเจอพลอยจนได้แต่ตอนนี้พลอยก็คงไม่ได้มีความรู้สึกอะไรแล้วล่ะคะ่ะ พลอยก็ตอบว่าฉันไม่ได้พบพี่เนืองหลายปีเหมือนกันทีแรกฉันเกือบจำไม่ได้พี่เนืองอ้วนขึ้นกว่าเก่าฉันสบายดีไม่เจ็บไม่ไข้อะไรพี่เนืองเห็นจะสบายดีพี่เนืองก็ตอบว่าก็เรื่อยๆแหละตอนแม่พลอยแต่งงานแม่บอกฉันขึ้นไปเหมือนกันตอนนั้นฉันเตรียมตัวจะย้ายก็เลยลงไปช่วยไม่ได้ พลอยก็เบือนเบือนหน้าเข้าไปในเก่งเรือนะคะแล้วก็ร้องเรียกนางพิษฝ่ายนางพิษพอได้ยินเสียงพลอยเรียกก็โผล่หน้าออกมาแล้วก็อุ้มตาอ้นออกมาด้วยพอเห็นหน้าพี่เนื่องนางพิษก็เบิกตาโตโอ้โหคุณเนื่องหายไปไหนมาไม่ได้พบได้เห็นกันมาตั้งแต่ปีมะโว ก็อยู่เท่าๆนี้แหละพิษไม่ได้หายไปไหนไกลหรอกพิษเอาตาอ้นมานี่แล้วไปเรียนคุณว่าคุณเนืองมาหาดูเหมือนคุณจะทำเครื่องอยู่ท้ายเรือนางพิษก็หายหน้าเข้าไปตามคำสั่งพี่เนืองมองดูตาอ้นแล้วก็กลืนน้ำลายถามว่าแม่พลอยนั่นเหมือนตัวอะไรจะว่าลูกของแม่พลอยก็เห็นจะไม่ใช่พลอยก็หัวเราะ ไม่ใช่แน่เทียวพี่เนื่องลูกคนอื่นฉันขอเข้ามาเลี้ยงนะ่ะอา้าวลูกคนอื่นหรือหน้าตาหน้าเอ็นดูดีพลอยก็เลยถามบ้างว่าแล้วป่านนี้ลูกพี่เนื่องมีโตแล้วเหรอโตวกว่านี้หน่อยนึงวิ่งแข็งแล้วพูดเป็นต่อยหอยเหมือนยายช้อยเสียแต่ขี้โรคเจ็บไม่ได้หยุดคุณสายก็ก็ปรีก้กระเป๋าออกมาจากเก๋งเรือ มองหน้าพลอยยังหนักใจนะคะแต่เมื่อเห็นพลอยนั่งพูดจากับพี่เนื่องเป็นปกติก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกแล้วก็ทักทายปราศัยนั่งคุยกันอยู่สามคนจนได้เวลาพี่เนื่องก็ลา ก, กลับพร้อมกับสั่งให้มาอีกระหว่างที่อยู่บางใบอินไม่ใช่เฉพาะคุณสายที่รู้สึกถอนหายใจด้วยความโล่งอกพลอยเองก็เช่นกันนะคะ ถึงแม้ว่าในใจของพลอยจะเป็นปกติแล้วแต่พลอยก็ยังไม่แน่ใจว่าถ้าหากได้พบพี่เนื่องเข้าจังๆจะทำอย่างไรความรู้สึกที่ล้มหายไปแล้วจะผุดขึ้นมาอีกหรือไม่แต่การพบกันในวันนี้พี่สน์ให้พลอยแน่ใจว่าไม่มีอันตรายจากพี่เนื่องอีกต่อไปแล้วพี่เนื่องกลายเป็นเพียงคนรู้จักคนหนึ่งเท่านั้นพี่เนื่องเป็นแต่เพียงหลานคุณสายพี่ของช้อย พี่เนื่องคนที่เคยอยู่ในหัวใจของพลอยนั้นตายไปนานแล้วไม่มีใครจะปลุกให้ฟื้นขึ้นได้อีกรุ่งขึ้นอีกวันเราวๆบ่ายสองโมงพลอยก็นุ่งขาวตามเสด็จไปถวายพระเพลิงกรมขุนสุพัรณภาคาวดีที่พระเมรุวัดนิเวศธรรมประวัติซึ่งอยู่ที่เกาะบางปะอินเจ้าพนักงานเชิญพระศพจากพระที่นั่งไอสวรในพระราชวังลงเรือยาว พร้อมด้วยกระบวนพระอิสริยยศแล้วก็เคลื่อนกระบวนทางชนละมาศอ้อมเกาะบางปะอินไปหยุดกระบวนเทียบท่าเชิญพระศพขึ้นทางท้ายเกาะตรงข้ามกับตำบลบ้านแป้งแล้วจึงเชิญพระศพขึ้นพระเมรุที่ปลูกขึ้นข้างต้นโพในวัดนิเวศต้นโพเหล่านั้นมีจํานวนเท่าพระชนมายุของเสด็จกรมขุนสุพรรณพอดี หมู่คนที่ไปในงานวันนั้นก็นุ่งขาวเป็นส่วนมากบรรดาพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ทรงขาวจะมีทรงดำก็แต่พระเจ้าน้องยาเธอและน้องนางเธอพวกข้าหลวงที่ตามเสด็จจับกลุ่มกันซุบซิบเรื่องข่าวการประชวนของสมเด็จหญิงพระองค์ใหญ่เพราะในวันนั้นประชวนหนักเสด็จงานไม่ได้ ซึ่งตามความจริงตั้งแต่วันเสด็จไปรับพระศพที่สถานีรถไฟแล้วก็เริ่มประชวนมีได้เสด็จออกงานอีกเลยในวันถวายพระเพลิงทุกคนแสดงอาการหนักใจเพราะประชวนมากนักในว่าถึงกับเพ้อตรัสเป็นภาษาฝรัง่งชอยนั่งอยู่ข้างๆพลอยแถวท้ายพัะพลาคุยกันเรื่องข่าวประชวนบ้างแล้วก็เรื่องอื่นๆบ้างขณะที่คุยกัน ชอยก็หยุดนิ่งเฉยๆมองท้ายกลุ่มข้าราชการที่ยืนอยู่อีกด้านหนึ่งเอื้อมมือมาสกิดพลอยแล้วถามว่าพลอยเห็นอะไรอย่างที่ฉันเห็นหรือเปล่าเห็นอะไรเดะช้อยโน่นแน่ใครแต่งทหารยืนอยู่โน่นโปร่มาจากไหนก็ไม่รู้พลอยมองตามสายตาชอยไปก็เจอพี่เนื่องแต่งเครื่องแบบนายทหารยืนอยู่อย่างสงบสงี่ยมก็หัวเราะ อ๋อนึกว่าใครฉันก็ลืมบอกชอยไปพี่เนื่องมาหาคุณป้าที่เรือเครื่องเมื่อวานนี้งั้นเหรอฉันก็ไม่ได้ออกไปแล้วพลอยพบเขาหรือเปล่าฉันนั่งอยู่หน้าเรือพอดีทักทายกันไปตามเรื่องพี่เนื่องบอกว่าเดี๋ยวนี้ย้ายมาอยู่ที่อยุธยาค่อยใกล้กรุงเข้ามาหน่อยเห็นบอกกับคุณป้าว่าจะมาที่เรืออีกชอยก็คงได้พบหรอกก่อนกลับนี่แหละ ฉันก็อยากจะพบสักทีหนึ่งเหมือนกันไม่ได้พบมานานเลยเมื่อแม่พลอยพบกันจังหน้าแม่พลอยไม่นึกหมันไส้บ้างเหรอเปล่าเลยพลอยตอบยิ้มยิ้มทอดตามองไปทางหมู่มหาเล็กเห็นคุณเปรมยืนอยู่แล้วก็กระซิบถามชอยว่าชอยเห็นอะไรอย่างที่ฉันเห็นบ้างไหมอะไรอีกล่ะ ชอยกวาดตามองไปที่พลอยมองอยู่พอเห็นคุณเปรม ย, ยืนอยู่อีกด้านหนึ่งชอยก็หัวเราะด้วยเข้าใจในความหมายของพลอยได้ตลอดว่าพี่เนื่องนั้นหมดความสําคัญเสียแล้วเพราะมีคุณเปรมเป็นคนสําคัญเข้ามาแทนที่ <ś led> เมื่องานถวายพระเพลิงเสร็จสิ้นเจ้านายที่ตามเสด็จ ก็เริ่มทยอยเสด็จกลับไปบ้างทำให้ที่ประทับในวังซึ่งต้องเบียดเสียดก็ค่อยๆว่างลงพรอยช่วยคุณสายตราเตรียมข้าวของสำหรับเดินทางกลับกรุงเทพแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดโกลาหนหาเครื่องแต่งกายไว้ทุกกันโดยกระทันหันเพราะสมเด็จพระองค์ใหญ่สิ้นพระชนลงด้วยไข้ผิด งานพระศพพระเจ้าลูกเธอพระองค์หนึ่งเพิ่งเสร็จไปโดยอันเชิญพระศพจากกรุงเทพขึ้นไปถวายพระเพลิงที่บางปะอินแต่พองานพระศพนั้นเสร็จลงงานพระศพพระเจ้าลูกเธออีกพระองค์หนึ่งก็เริ่มขึ้นอย่างที่ใครมิได้คาดฝันเอาไวคนในวังทุกคนต้องสะดุ้งสะเทือนต่อการวิปโยคอันเต็มไปได้วยความโนกใจ ชอบพนักงานต้องรีบตระเตรยียมงานส่งน้ําพระศพโดยรีบด่วนข้าวของที่จะต้องใช้ในการนี้ตลอดจนพระโกรธใส่พระศพอีกองค์หนึ่งต้องนําขึ้นมาจากกรุงเทพโดยขบวนรถเร็วเจ้าหนายข้างหน้าที่เสด็จกลับลงไปกรุงเทพแล้วก็ต้องเสด็จกลับขึ้นมาอีกโดยด่วนเพื่อให้ทันส่งน้ําพระศพสมเด็จหญิงพระองค์นั้นและเมื่อส่งเสร็จใส่พระโกรธแล้ว ก็เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพพร้อมด้วยเจ้านายส่วนพระโกศนั้นเจ้าพนักงานเชิญใส่เรือลองกลับกรุงเทพอีกกระบวนหนึ่งพลอยนั่งเรือกลับกรุงเทพด้วยจิตใจอันเศร้าหมองมองเห็นความสําคัญของตอนน้อยลงไปอีกพลอยนึกถึงพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ใจหายพระองค์เพิ่งพระราชทานเพลิงศพ พระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่เสร็จสิ้นไปพระเจ้าลูกเธออีกพระองค์หนึ่งก็ต่วนสิ้นพระชนลงอีกพระศพหนึ่งแห่ขึ้นมาจากกรุงเทพเพื่อจะได้แห่อีกพระศพหนึ่งกลับในการเสด็จพระราชดำเนินเที่ยวเดียวกันมัจจุราชนั้นมิได้ยกเว้นให้แก่ใครและวงล้อแห่งชีวิตคือการเกิดแก่เจ็บตาย และการพัดพลาดสูญเสียของรักนั้นกว้างขวางนะไม่มีผู้ใดหลีกเลี่ยงได้จะเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เต็มไปด้วยพระราชอิสริยยศและพระราชอำนาจหรือยาจกเข็นใจเพราะพลอยดํารงชีวิตต่อไปหลังจากนั้นด้วยความไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในตอนขากลับจากบางปะอินมากกว่าขาไป